เจริญพรท่านอายการเพื่อช่วยทุกท่านโอกาสที่ได้เข้ามาทำงานใหม่เราก็จะต้องจดจำฝังคิดของเราก่อนและกหลังเวลาที่เราพัฒนาอะไรก็ตาม มันจะมีภาพก่อนกับหลังที่ว่าก่อนก็คือก่อนเรามาทำงานที่นี่เนี่ยเรามีคับมีความคาดหวังคาดหวังต่อองค์กรคาดหวังต่อตัวเองอย่างไรและเมื่อทาไปแล้วมันต่างกันอย่างไรที่ว่าให้ ให้ลองจดจำความคิดเราก็คือบางทีพอทำงานไปเราก็จะลืมความคาดหวังเพราะเราไปเจอสถานการณ์จริงแล้วเราก็อาจจะไม่มุ่งมั่นไม่ทำไปตามที่เราตั้งใจลืมเป้าหมายลืมความคาดหวัง ที่ตัวเองได้ตั้งไว้เขาเรียกว่ามีปณิธานตั้งเป้าหมายและคือชีวิตมันก็จะจะมีทิศทางมีทิศทางก็คือเราจะไปไหนในเรื่องคำว่าปณิธานตั้งเป้าหมายเนี่ยผู้ที่ทำ ทำงานใหญ่ๆก็จะมีกันทำา น, นเนยราชการที่หนึ่งเมื่อทำสงครามก้าวทัพก็ตั้งปฏิธานว่าตั้งใจจะอุปถัมภ์ย่อยกพระพุทธศาสนาป้องกันขัดขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรี คำว่าเป้าหมายปณิฐานไม่ได้เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนต่อไม่ได้เป็นเงินเป็นทองแต่มันหมายถึงความสำเร็จแห่งชีวิตเราเกิดมาทั้งทีเราจะฝากความดีอะไรไว้กับแผ่นดินซึ่งตรงนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่อไปว่า เราได้รับการยกย่องไม่ยกย่องได้ตำแหน่งไม่ได้ตำแหน่งเพราะเราสามารถที่จะฝากความดีฝากประโยชน์ไว้กับแผ่นดินได้ตลอดเวลาเพราะเราเลือกมาเส้นทางนี้ตรงนี้แต่สมมติว่าถ้าคนเป็นครูเขาก็หวังทำประโยชน์คือให้ปัญญากับลูกศิษย์ ท่านมาทำงานอายการก็คือเพื่อพะดุ์ความยุติธรรมนั่นคือเหตุผลแห่งการเลือกวิชาชีพนี้เหตุผลว่าทำไมเราจึงมาอยู่ที่นี่นั่นคือสิ่งที่ที่เราตั้งปณิธานเอาไว้และปณิธานมันมันจะต้องให้สูง สูงกว่าความสามารถที่เราประเมินตัวเองเราเราเข้ามาตรงนี้เนี่ยเรากล่าวว่าในเรื่องของความเจริญเติบโตในตําแหน่งหน้าที่ก็ส่วนหนึ่งงานก็ส่วนหนึ่งทั้งความเจริญเติบโตในหน้าที่ที่เขาเรียกว่าแคลเรียมพาเส้นทางข้างหน้าเนี่ยเราจะไปถึงไหน ความสำเร็จในงานเราจะทำอย่างไรเขาบอกว่าตั้งให้มันสูงกว่าที่เราเราประเมินตัวเราเองในปัจจุบันเพราะเวลาเราเลงไปที่เป้าธนูเนี่ยคนยิงธนูเนี่ยนะเขามันมีเส้นวงกลมส้อนกันจะทั้งเขาเรียกว่าจุดตรงกลางที่เราต้องการให้มันเป็นเข้าเป้าเนี่ย คนเล็งที่หากออกไปเป็นสมมติว่าหนึ่งร้อยหลาหรือหนึ่งร้อยเมตรอ่ะห้าสิบเมตรก็แล้วแต่เขาจะเล็งให้สูงกว่าเป้านั่นเพราะธนูเมื่อเล่นไปเนี่ยมันจะโคง้งน้ำหนักธนูมันก็จะลงไปต่งกว่าที่เล็งและก็เข้าเป้า เมืกับในอดีตรเราอยากจะจบปริญญาโทเนี่ยบางทีถ้าเราตั้งไว้แค่ปริญญาโทมันอาจจะจบได้แค่ปริญญาตรีแต่ถ้าเราตั้งไว้ปริญญาเอกอยังต่ํามากก็ปริญญาโทไปดูเขายิงธนูที่ญี่ปุ่นที่วัดญี่ปุ่นเป็นพันๆปีแล้วเขายิงมันมันจะเป็นระเบียงที่ เขายิงกันแล้วก็มีหลังคาชายคายืดออกมาห่างออกไปห้าสิบร้อเกินน่าจะเกือบร้อยเมตรในเวลาเขายิงเนี่ยหลังคาเนี่ยไอตัวไอเพดานหรือชายคาเนี่ยพุ่นไม่หมดทั้งที่เป้ามันอยู่ตรงเนี้เขาไม่ได้ยิงตรงเขาเล็งให้สุกฉะนั้นใน ในการดำเนินชีวิตเนี่ยบางทีเขาไม่ได้เขาตั้งความคาดหวังไว้สูงกันทั้งนั้นถ้าเราอ่านคำสัพาพาษณ์ของชาวอังกฤษที่มาช่วยเด็กทีหมูป่าที่ทํำหลวงในใจเขาบอก ไม่รู้ว่าจะช่วยได้หมดหรือเปล่าอาจจะมีการสูญเสียชีวิตในใจเขาคิดแต่เขาก็ตั้งเป้าต้องให้รอดทุกคนแต่ความยากของช่องทางที่จะลำเลียงการดำน้ำพิยาวไกลซึ่งระบากมาก เ, เขาสารภา พ, าพตอนเสร็จแล้วอะ ไม่น่าจะได้ทุกคนแต่เวลามารวมเป็นทีมทุกคนต้องตั้งเป้าหมายไว้สูงสุดคือทุกทั้งสิบสามคนปลอดภัยนี่คือในความเป็นจริงเนี่ยจากประสบการณ์เขาบอกว่าไม่น่าไม่น่าจะรอดทั้งหมดแต่เวลาทำเขาตั้งเป้าเป้าหมายไว้สูง และและในสุดเขาก็ทำได้คือคนนักดำน้ำอังกฤษเนี่ยคือคนสี่คนที่เขาลำเลียงจากช่วงแรกมาดำตลอดประมาณเกือบสามร้อยเมตรสามสนามฟุตบอลเนี่ยช่วงนี้น่ากลัวมากแล้วก็ต้องใช้ระดับนี้ซึ่งคนพวกนี้เขาให้สัมภาษณ์ฉะนั้นเวลาที่ทำงานทุกอย่างเราก็ ตั้งเป้าหมายเพื่อให้สำเร็จอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่เราคาดหวังแต่ในความเป็นจริงจะสำเร็จหรือไม่ตามที่เราคาดหวังหรือไม่มันจะมีตัวแปรที่อาจจะทำให้เราไม่ตรงไปตามเป้าหมายนั่นแหละที่เราจะต้องจดจำเพราะเวลาที่เราเดินทาง มันจะมีแหล่งต้านเครื่องบินทุกวันนี้ที่ในยุคปัจจุบัน ấy. กัปตันทาอะไรกัปตันการบินไทยเขาเคยนั่งเวลานั่งเครื่องบินเขาบอกท่านเข้ามาดูในห้องห้องกัปตัน ấy. เขาเรียกคอกผิดทุกอย่าง <c oughs> มันเซ็ตอัตโนมัติหมด พอเข้าไปดูก็เห็นกับตันกับผู้ช่วยกับตันนั่งเฉยๆนั่งคุยกันอเราก็นึกว่าเหมือนขับรถเลยนะต้องขมโ น, นุมนี่ตรวจถึงจะกดปุ่มอะไรไม่มีอ่ะนั่งคุยกับแล้วเขาก็บอกมาทัานตั้งแต่เครื่องขึ้นจากโซนอูมจนไปแตะลันเวที่ปลายทางเนี่ยเขาเซ็ตไว้ด้วยคอมพิวเตอร์หมดและ เพราะฉะนั้นมันจึงบอกได้ว่าใช้เวลาบินเท่าไหร่พอเคลื่อนครึ่งเออครื่อนครึ่งเนี่ยกับตันเขาประกาศเลยจะใช้จะถึงเวลาเท่าไรเท่าไรไงมันเบี่ยงเบนไปนิดเดียวตั้งแต่ขึ้นลงอะไรต่างเนี่ยคอมพิวเตอร์ที่เราเรียกกันว่าออโต้พ l o t เนี่ยมันทำงานก็ถามเขาแล้วแล้วกับตันกับผู้ช่วยกับตันมันนั่งกินเงนเดือนทไม เขาก็บอกว่าเวลาบินจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปนต่างที่ที่เราตั้งไว้หรอกเราตั้งโปรแกรมไว้จริงแต่ถ้ามันบินทวนลมทวนทวนการหมุนของโลกแรงดึงดูดมันจะเบี่ยงเบนให้ออกนอกเส้นทางมันไม่ไปเป้าหมายหรอกและเวลาจะลงตอนที่ออกจากกรุงเทพพยากรณ์อากาศมันอย่างหนึ่งนะ แต่อีกสิบกว่าชั่วโมงไม่ใช่สิไปแวะญี่ปุ่นแล้วกว่าจะไปอเมริกาเนี่ยเกือบยี่สิบชั่วโมงบางทีพายุ ฝ, ฝนฟ้าขนองมาที่สนามบินเราจะลงเนี่ยจะฝาฟ้าแลบฟ้าล้องฟ้าผ่าได้ไหมมันเสี่ยงเขาต้องอ้อมต้องหลบในความเป็นจริงหลบพายุก็ถามเขาว่าแล้วจะหลบยังไงเขาก็ชี้ให้ดูเนี่ย มันมีเรดาร์อยู่ที่เรดาร์อากาศเผ า, าอากาศข้างหน้าเมฆข้างหน้ามันจะมีจออยู่ถ้าเมฆข้างหน้าสีแดงเนี่ยมันขึ้นในจอนะแสดงว่ามีประจุไฟฟ้ามีฟ้าแลบฟ้าร้องเราหลงไปไอ้เมฆที่มันสีเขียวสีอื่นและเขาก็เชืดูเนี่นะท่านเนี่ยเราจะลงเนี่ยสีแดงเนี่ยเราจะไปไหมผมไม่ต้องไปแล้วพรนะไม่ช่วยแล้วหลบล ง, ลง <c oughs> เขาก็หลงเห็นไหมเนี่ยคือ <c oughs> <c oughs> ทำไมชีวิตจริงมันไม่มันก็เหมือนกับขับเครื่องบินนี่แหละเราเป็นนาวาชีวิตใช่ไหมเราจะเดินทางไปสู่เป้าหมายมันก็จะต้องรู้จักลบหลีกโคดสิ่งที่เป็นพายุฝนฟ้าขนองเพราะฉะนั้นคนที่เริ่มต้นทํางานพร้อมกันเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกันคนเขาก็เลยบอกว่าความสําเร็จมาจากสองเรื่อง ชาวบ้านเนี่ยนะหนึ่งเก่งสองเฮงที่เราที่เราพูดกันในชื้อชตจังหวัดเน่เก่งบวกเฮงอะ่ะเก่งเราก็เรียนจบมาเหมือนกันนะสนามเล็กเนี่ยความรู้เท่ากันแล้วทำไมบางคนเนี่ยประสบผลสำเร็จมากบางคนล้มเหลวบางคนสาเร็จน้อยบางคนออกกลางคันแม้กัเรียนเรียนหนังสือก็เหมือนกัน ได้ทุนเหมือนกันอะไรเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะจบนะ เ, เราจบปริญญาโทเนี่ยมันไม่ใช่เก่งอย่างเดียวนะบางทีมันไปอยู่ที่ได้ใครเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาดีดีบางทีเอ้ า, าสั้นออกกลางทางย้ายไปไหนก็ไม่รู้อันนั้นคือเฮงเฮงคือสถานการณ์ที่เราไม่ได้เลือก ใครบ้างอยากจะให้อาจารย์ที่ปรึกษาออกหรือตายหรือเกษียณไม่มีเราบางทีเราไม่รู้ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นคำว่า fortune เนี่ยเขาหมายถึงสถานการณ์ภายนอกเราเกินที่เราจะไปกำหนดแต่ถ้าเรากำหนดได้เองเนี่ยมันอยู่ในขอบเขตความรู้ความสามารถเนี่ยมันคือความเก่ง คงเบ่งรบกับสุมาอีในสามโคกอะ่ะเราก็เรียนกันช่วงสุดท้ายเนี่ยรบยังไงสุมาอีก็แพ้โกนอุบายของเบ่งถูกขังจนไม่อยากจะรบอะ่ะท่าเอาผ้าถุงของเบ่งสวมผ้าถุงไปให้สุมาอีถ้าไม่รบก็นุ่งผ้าถุงนะสุมาอีก็ พวกเราเหขอบคุณแต่ไม่ออกรบเพราะอะไรเข็ดเคี้ยวกันโกนุใบสู้ของเบ่งไม่ได้ที่เข็ดเคี่ยวมากก็คือโดนหลอกคือเรื่องสามก๊กนี่เป็นเรื่องในประวัติศาสตร์จริงเกิดประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยปีมาแล้วเขาบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์หมดแต่ว่าที่เอามาแต่งให้เราอ่านทุกวันเนี้ยมันเพิ่ม สรุปเข้าไปบางส่วนเพราะว่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยคนจีนเอาไปเอาไปเล่นงิ้วก่อนเล่นงิ้วในประเทศจีนจนกระทั่งมีคนเอามาประผันขึ้นแต่การบันทึกทางประเทศจีนเนี่ยเขาเก่งเรื่องการบันทึกประวัติศาสตร์มันมีอยู่ตัวไม่ใช่ตัวละครเป็นตัวจริงๆบุคคลจริงๆอย่างของเบ้ง ตอนที่เล่าปีไปไปคุกเข่าขอให้ขงเบ้งเลยมาร่วมรบขงเบ้งอายุ27ปีคนจีนเนี่ยเขาเขาดีอย่างเขาบันทึกหมดต่างจากอินเดียนะอินเดียไม่ได้บันทึกประวัติศาสตร์เป็นพันๆปีเนี่ยจีนเขียนหมดเขาอย่างอย่างบางทีเขาเขียนในในไมไ้ไผ่นั่นนะ่ะนั่นคือจุด จุดเด่นของฝ่ายจี น, นีนอยู่ที่บันทึกมันจึงมีเรื่องประวัติศาสตร์เยอะแม้แต่ภาพยนตร์อะไรต่างๆเนี่ยจะาอิยงบระวัิศา์หมดจีนอันนี้อินเดียจะเป็นเทพนิยายเพราะเขาไม่ค่อยบันทึกโเบิงอายุยี่สิบเจ็ดปีเล่าปีอายุสี่สิบเจ็ดตอนมาพบกันครั้งแรกโเบิง สนับสนุนเล่าปีก็จนเล่าปีตายก็ไปสนับสนุนลูกชายตอนที่ว่าลูกชายอยู่เนี่ยลูกชายเล่าปีเป็นยกเป็นห้องเต้และ้ะเล่าปีเนี่ยสถาปนาตัวเองเป็นห้องเต้ก่อนเพราะถือว่ามีเชื้อสายตระกูลตระกูลเล่าอะ่ะเล่าปันผู้ก่อตั้งเอ่อเรียกว่าหั่นราชวงศ์หั่นเนี่ยไล่กันมาพอเล่าปียกตัวเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ซนกวนอีกกก็หนึ่งก็ยกตัวเองเป็นฮ่องเต้เล่าปีเป็นฮ่องเต้ก่อนคนฮ่องเต้ฝ่ายโจโฉก็ยกลูกพอโจโฉโจโฉสิ้นลูกโจโฉก็เป็นฮ่องเต้เ้าเรียกว่าฮ่องเต้พร้อมกัน3ามองคือสามกกแล้วในช่วงที่มีสามองนี่แหละที่กกลูกของเล่าปีได้ของเบ้งนาทับลูกของโจโฉเป็นฮ่องเต้ได้สูมาอี้นําทับก็มาลบกัน พอรบกันเนี่ยของเบ้งออกอุบายหลอกให้ทัพของสูมาอี้เข้าไปในซอกเขาสูมาอี้รู้อยู่ว่าของเบ้งเนี่ยทับใหญ่ของพวกเบ้งไปอีกทางหนึ่งแต่มันจะมีกองทัพเล็กๆมาล่อเหมืนก็คอยป้องกันไม่ให้เข้าไปในซอกเขาฝ่ายของเบ้งแต่สุมาอี้ก็สงสัยมันมีอะไรอยู่ในในซอกเขา ขณะที่ทัพใหญ่ของเบงไปทางก็อยากรู้ต้องเข้าไปแล้วสายสื่อบอกว่ามันมียุ้งฉางอยู่ตรงนั้นสุมาเอะก็สรุปว่านั่นคือคลังสเสบียงของกองทัพฝ่ายของเบงและของเ้งยกทัพมาไกลถ้าหมดสเสบียงต้องกลับสุมาเอะถือเป็นโอกาสทองที่จะลอบเข้า รอบตีตลบหลังขณะที่ทัพใหญ่ของของเบ้งคิดว่าของเบ้งก็ไปอยู่อีกที่หนึ่งเนี่ยจะไปตีเมืองฝ่ายสุมาอิศสมาอก็ลอบเข้ามาในซอกเขาหุบเขาเพื่อทำลายคลังสเสบียงเพราะสร้างเป็นอาคารเป็นยุ้งฉาบชั่วคราที่สายบอกและฝ่ายป้องกันของของเบ้งก็สู้ไม่ได้ก็ถอยเข้าไปใน ทางนี้ก็ย่ามใจก็ตามเข้าไปในซอกเขาหน้าผาสูงชันทั้งสองส่วนแล้วก็เห็นอาคารที่สร้างเนี่ยเป็นไม้ไผ่เป็นอะไรแต่ยิ่งมั่นใจใหญ่เ่ยนี่คือคลังเสเบียงสมัยอี้พอเข้าไปสัมพักที่ทำมันเงียบผิดปกติก็เลยพูดกับตัวเองว่า ถ้าเกิดค่าศึกซุ่มมือเกาทันหรือมือเพลิงเนี่ยกองทัพเราสิ้นแ น, น่ๆพอคิดอย่างนี้ก็เลยสั่งถอยเพราะสั่งถอยเท่านั้นแหละคงเบ้งที่จริงซุ่มอยู่ข้างบนแผนซ้อนแผนก็สั่งมือเกาทันยิงลงมาแล้วเขาฝังระเบิดนะจีนเป็นประเทศ แรกในโลกที่คิดระเบิดดินปืนได้ก็ใช้ดินปืนใช้ระเบิดนี่ระเบิดตรงตามตูมตามทั้งก้อนหินทั้งอะไรตนะ่ะทั้งไฟนะเพราะระเบิดี่มันทำให้เกิดไฟเชื้อเพลิงอย่างดีครอบทับสซมาตี้ตายเกือบหมดของแมงยืนอยู่ข้างบนเนี่ยดู สุมาอี้หมดทางเขาก็กอดลูกลูกชายซึ่งต่อมาหลานไอไอไอไลูกเนี่ยมันก็มีลูกมีมีลูกก็คือเป็นหลานสุมาอี้เนี่ยได้เป็นห้องเต้นนะล้มราชวงศ์ทั้งหมดรวมเป็นประเทศเดียวกันนะล้มห้องเต้ทั้งสามองค์ก็คือราชวงศ์ของสุมาอี้เนี่ยนะแต่เป็นรุ่นหลานก่อนกันร้องไห้ ว่าเราจะมาตายกันอยู่ตรงนี้แหละมาตายกันตรงนี้ไม่น่าเาชืวนตมาทิ้งเลยในขณะนั้นเองนะไม่รู้ว่าพายุฝนฟ้ามันมาจากไหนเนละตกมาอย่างไม่มีปีไมีขลุ่ยเลยยังกับฟ้ารั่วเลยนะไฟนี่ดับหมเลยนะไฟดับเพราะไฟดับเท่านั้น ส, ส, สมัยสมัอีกผมจะมาอยู่ทาไมแล้วก็หนีกันไปหมด รอดมาพ่อลูกอีกสองคนของเบ่งยืนอยู่ข้างบนเนี่ยตอนแรกดีใจแล้วพอฝนตกมาเนี่ยของเบ่งได้เปล่งอูทานซึ่งเป็นวลีเป็นประโยคที่คนมาพูดถึงกันของเบ่งบอกว่าความพยายามเป็นของมนุษย์ความสำเร็จหรือไม่เป็นเรื่องของฟ้า ฝ่าของเิงก็คือสวรรค์ตัวเขานี่เก่งทําเต็มที่แล้วเฮงเนี่ยเป็นของของฝ่ายซูมาอีไม่เก่งสู้ผมเบ่งไม่ได้แต่มันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ได้เลือกแล้วมันเป็นใจเข้าข้างเราเราโชคดีเขาเรียกฟอร์จุนใช่ไ โชคดีถ้าสถานการณ์มันนั้นทำให้เราเลวร้ยรายก็เป็นมิส fortune โชคร้ายแล้วแต่เฮงกับตรงกันข้ามนเน่ยฉะนั้นสิ่งที่เป็นความสำเร็จเรียกว่าเก่งบวกเฮงเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิต จ, จริงอะ่ะมันจึงไม่เท่ากันเราพายเรือ ไปถูกเป้าหมายถ้าบังเอิญในช่วงเวลาที่เราพายเนี่ยน้ำทะเลมันมีขึ้นมีลงใช่ไหมแล้วน้ำมันขึ้นแล้วก็ไหลไปในทางที่เราพายเนี่ยมันก็คือเฮงนั่นแหละแต่ถ้าเราต้องพายเรือทวนน้ามันก็ตรงกันขามในชาวบ้านทั่วไปเขาพูดถึงสามสองเรื่องเก่งโบกเก่งแต่พระพุทธศาสนาบอกมีสามเรื่อง ก็คือมงคลมงคลละสูตรอ่ะมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญเหตุแห่งความสำเร็จเหมือนเราเอาวัตถุมงคลมามาแขวนเนี่ยโชคดีเอ่อได้แขวนพระรอดเนยไปที่ไหนแคล้วคลาดพระรอดลำพู น, นหนึ่งในห้าเบญจภาคี แต่ก็มีรุ่นพระพระรอดรุ่นหลังๆที่ทำนะมันรุ่นแรกๆเนี่ยเขาเรียกว่ามีค่ามากแต่บางคนก็เอาพระรอดมาถวายวัดคืนถานทาไมเงินทองมันมรอดไปหมดท่านทําอะไรไม่รวยเลยเอาไปคิดอย่างนั้นอีกนะเอามาถวายวัเดเนี่ยทำไมาเจอมากับตัวเองเอพระรอดนี้ดีทําให้ปลอดภยัยสถานการณ์หนึ่งแคลวคลาดแต่เวลาจะหาเงินหาทอง ไม่ได้เรื่องครัขึ้นเนี่ยใช้พระมากเกินขวัแคล้วคลาดเดี๋ยวไม่พอจะให้ทำหาเงินอีกแล้วก็ไม่เอาทีนี้คำว่ามงคลเนี่ยเราจรึงเรียกวัตถุมงคลที่เราไปเทื่ยแสวงหาวัตถุมงคลเนี่ยเพราะเป็นวัตถุเป็นพระเครื่องที่สร้างที่จะโดดบันดาลให้ประสบความสำเร็จความสำเร็จยังไม่มา เราหามงคลก็คือสิ่งที่จะช่วยให้เราสำเร็จชื่ อ, อยังจะต้องให้เป็นมงคลเลยใช่ไหยไม่ไงั้นเจะหาฤกิกวันแต่งงานเหรอเอาวันนั้นวันนี้จะได้อยู่กันยืดนีด่เขาเรียกเหตุแห่งความสำเร็จแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าเหตุแห่งความสาเร็จที่ดีเนี่ยต้องมาจากข้างในอย่าไปเอาวัตถุมงคลเลยเป็นธรร ม, มะมงคลเรามีธรรมะแล้ว เราจะประสบความสําเร็จมี3ประการที่จริงมีหลายประการนะแต่ว่าที่เกี่ยวกับการทํางานของเรามี3ประการหนึอัตตสัมมาปณิธิแปลว่าตั้งตนไว้ชอบก็คืออยู่ในสานองคลองธรรมอยู่ในสีในธรรมและพัฒนาตนเองให้มีความรู้มีความสามารถมีความระดับขึ ด, ดีเนี่ยถ้าเราเป็นคนดีแล้วก็มีความสามารถ เขาเรียกบูชิวเนี่ยบูชิวแปลว่าคุณธรรมมันก็เป็นการประกันให้เราประสบความสำเร็จใช่หนี่เป็นองค์ประกอบภายในข้อที่สององค์ประกอบภายนอกที่เราเรียกว่าเฮงอะ่ะภาษาพระกเขาเรียกปุกเพกตะปุญญาตาปุบเพแปลว่าปางก่อน บุพเพสันนิวาสเนี่ยแปลว่าเคยอยู่ร่วมกันแต่ชาติปางก่อนแล้วก็มาพบกันมันก็ได้อยู่ร่วมกันอีกปุพเพกะตาปุญญาตาเนี่ยบุญที่เราสะสมไว้ในชาติปางก่อนหรือในชาตินี้ในอดีตที่ผ่านมาบุพเพเขาไม่ได้บอกว่าชาติก่อนเสมอไปชาตินี้ก็ได้ที่ผ่านมาแล้วทําไมมันเป็นมันเป็นสถานการณ์ที่เราไม่ได้เลือกทั้งที่เราทําบุญเนี่ยเขาบอกว่าคนมีบุญเนี่ยนะ บุญมันจะมีพลังที่เราทําสะสมมาเนี่ยแล้วจะช่วยเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้เข้าข้างคนมีบุญถ้าเราเป็นคนดีแบบนั้นะข้อหนึ่งเราเป็นคนดีสองทำบุญทําประโยชน์กับคนอื่นถึงเวลาไอ้บุญที่เราทําเนี่ยมันมาเหมือนกับถ้าเป็นสมัยยีก็คือบุญที่เขาทําเนี่ยมันทําให้ฝนตกลงมา ฝนตกมองภายนอกสถานการณ์ที่ไม่ได้เลือกแต่มันมาจากเหตุภายในคือบุญกุศลที่ทำเพราะฉะนั้นเขาจึงเหมือนกันอย่างนี้คนที่ป่วยเนะี่ยไปโรงพยาบาลป่วยเนี่ ย, ยคนรู้จักรล่าให้ฟังเนี่ยน็อกเลยนะโรคหัวใจอะหัวใจหยุดเต้นการถางไปโรงพยาบาลใกล้ที่สุดและเป็นวันอาทิตย์เลย ต้องได้หมอมือหนึ่งถึงจะช่วยได้เขาเป็นย่าิผู้หลักผู้ใหญ่ก็โทรไปหาหาเสร็เสรจเศรษฐีนะที่บริจาคเงินสร้างอาคารให้กับโรงพยาบาลบอกช่วยหน่อยตามหมอคนนี้หน่อยที่ยโรงพยาบาลเนี่ยคนที่เป็นเศรษฐีเล่าให้ฟัง พอเพื่อนโทรมาก็นึกถึงหมอมือหนึ่งคนนี้และเวลาจะใช้หมอคนนี้เนี่ยเพราะแกบริจาคเงินเยอะเข้าโรงพยาบาลก็ขอกนได้ก็โทรไปถามภรรยาของเขาว่าสามีอยู่ที่ไหนถ้าอยู่ไกลยอยู่ต่างประเทศเพราะไปต่างประเทศบ่อยเสร็จเลยวเนี่ยกลายเป็นว่าภรรยาบอกอยู่ที่ โรงพยาบาลที่ตึกนั่นแหละกำลังผาตัดอยู่ที่นั่นก็กลายเป็นว่าห้านาทีเนี่ยพอคนที่ไปลงยาไปถึงเนี่ยสามีไอ้ที่พูดถึงหมอถงลงมาช่วยได้ทันทีเลย mm hmm. เขาอยู่ตรงนั้นพอดีโรงพยาบาลที่จะไปะ mm hmm. เขาจึงบอกว่ายามบุญมาว่าสนาช่วย ที่ป่วยก็หายที่นายก็รักบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็นายคนจึงทาบุญเพราะวันหนึ่งมันจะเป็นพลังที่ดึงสถานการณ์ที่เอื้อแก่เรามาเราไม่รู้ถ้าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่คนที่เชื่อเนี่ยเขาจะทำความดีเราช่วยคนอื่นแล้วคนอื่นวันหนึ่งคนอื่นก็จะมาช่วยเราทำานังนี้แหละ นี่คือข้อสอบข้อสเราเลือกคือปฏิรูปรเทวาสารเลือกลงไปทำงานที่ไหนอย่างไรถ้าเราเลือกได้เรามีข้อหนึ่งคือความรู้ความสามารถความเก่งแล้วเราไปอยู่ในที่ที่เขาไม่ต้องการคนเก่งอย่างเราอ่ะน่าเสียดายไหมละ่ะ มันอยู่ในถิ่นที่ไม่เหมาะในจังหวะที่ผู้ใหญ่เขาไม่ใช้คนอย่างเรามันก็เป็นบอนไซอะ่ะเราก็เลยเรียกว่าเป็นคนดีพูดประชนเนี่ยเป็นคนดีที่โลกไม่ต้องการศิลปินบางคนเนี่ยเกิดผิดยุคเนี่ยเขาเรียกศิลปินใส่แห้งวาดเป็นจิตรกรวาดภาพอย่างดี แต่ขายไม่ได้ในยุคตัวเองมาในยุคปัจจุบันคนเอาไปขายเป็นล้านหลายล้านเขียนหนังสือก็เหมือนกันมันอยู่ในยุคที่อาจจะไม่เหมาะกับเขาถ้าถ้าบางคนเนี่ยไปอยู่ในยุคที่เหมาะสถานในเวลาที่เหมาะที่ส่งมันก็อะไรอะไรก็ง่ายไปหมด คนมักจะตั้งคำถามทำไมเรื่อง1ิสามหมูป่ามันถึงได้เรียกไประดับโลกอะ่ะไม่ต้องเชิญเขาก็ามาช่วยมาแล้วก็ยังมีกิจกรรมที่ทำให้คนไม่ลืมเปิดหนังสือพิมพวันนี้เราก็เห็นทำไม เขาอยู่ในยุคที่เหมาะเรื่องที่มันเกิดมันอยู่ในยุคที่เหมาะมันเป็นยุคจิตอาสาคนทั่วโลกที่มาเขามาด้วยจิตอาสาเนะี่ยมันเป็นจิตอาสาระดับโลกในรัชกาลปัจจุบันเห็ น, หนเราก็ต้องพิเคราะห์อย่างนี้ด้วย มันไม่ใช่บังเอิญและเวลาตอบถ้าเรามองให้ขาดเราจะรู้การที่เรามองไม่ขาดเนี่ยเราเกงผิดเราเราอ่านปฏิรู ป, ประเทศะเนี่ยสิ่งแวดล้อมผิดเนี่ยนึกว่าคนผู้ใหญ่เขาจะชอบอย่างนี้เราก็ไปทำงี้เอากลายเป็นผิด เราเนึกว่าเรื่องนี้เราพูดอย่างนี้มันจะได้แต่มันผิดยุคผิดสมัยผิดผิดจังหวะเขาเรียกผิดกาละเทศถึงเราจะเก่งมันก็ไม่ส่องแสงปฏิรูปประเทศเราอ่านคำว่าปฏิรูปประเทศหมายถึงว่าเราจะต้องอ่านอ่านคนรู้ตอนรู้คนรู้งานรู้เท่ารู้ทัน ถ้าเราไม่รู้สิ่งแมดล้อมไม่รู้ตนเราเป็นคนระดับไหนเก่งไงอันนี้ก็คือข้อหนึ่งใช่ไหมแต่เราต้องรู้จักคนที่เกี่ยวข้องรู้งานรู้วัฒนธรรมความรู้สึกหรืงคิดคนที่ไม่รู้เนี่ยไม่รู้เท่าทันเนี่ยนะถึงจะเก่งก็ไม่ไม่ประสบความสาเร็จนะก็คือ ท่านปรีดีนะท่านปรีดีท่านพูดเอาไว้เดี๋ยวพ อ, อดูหนยท่านปรีดีพนมยงท่านบอกว่าเนี่ยท่านพูดสรุปเอาไว้ดีนะักกฎหมายมือหนึ่งเนะี่ยตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในสมัยนั้นท่านท่านปรีดีเนี่ยในบ้านปลายชีวิต ไปอยู่ต่างประเทศที่โดยเฉพาะช่วงสุดท้ายอยู่ที่ปารีสผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์นิตยาสารเอเชียวได้สัมภาษณ์ท่านปรีดีแล้วก็พิมพ์ขายไปทั่วโลกฉบับนั้นเนี่ยบางเอิญได้อ่านซื้อมาอ่าน ท่านปรีดีตอบคำถามหลายข้อเยอะมากแต่มีข้อหนึ่งที่สะดุดใจตั้งแต่ตอนอ่านและก็จับมาได้จนบัด น, นี้น่าจะเกือบสี่สิบปีละที่ท่านให้สัมภาษณ์คำถามของผู้เสือกข่าวเอชเวกมีอยู่ว่าอะไรคือความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในชีวิตในอดีตของท่านซึ่งถ้าท่านหมุนเวลาย้อนไปเริ่มต้นด้ใหม่ท่านจะไม่ยอมทำมันเป็นอังคาท่านจะไม่ยอมทำมันเป็นอังคาอะไรคือความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของท่านปรีดีท่านตอบว่ามีอยู่ข้อหนึ่ง ความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราก็คือรีบทำการใหญ่ก่อนที่จะมีประสบการณ์ท่านพูดเป็นภาษาอังกฤษไหรีบทำการใหญ่ก่อนที่จะมีประสบการณ์และท่านการที่บายว่าตอนที่ทำการใหญ่มันอ่อนด้อยประสบการณ์จริงๆ เพิ่งเรียนจบฝรั่งเศสจากฝรั่งเศสอ่ะปริญญาเอกด้านกฎหมายมได้ที่หนึ่งด้วยท็อปชนะฝรั่งได้เป็นความภาคภูมิใจแล้วก็กลับมาทำการใหญ่ก็คือเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินโดยตัวเองเป็นหัวหน้าคณะราฐอายุสามสิบต้นต้นอ่ะรุ่นรุ่นพวกเราบางคนสามสิบต้นต้น มาเป็นคนหน้าใหญ่เขาเลยอ่ะยังเล่นประสบเล่นการเมืองโดยไม่มีประสบการณ์เลยแล้วเกิดอะไรขึ้นในรัฐบ า, าลคณะรัฐมนตรีชุดแรกไไปไม่รอดเราก็อ่านประวัติท่านก็จะจะทราบเขาเรียกคณะราชเอคณะกรรมการคณะราชอ่ะที่มีพญามโนปรกรณนิติถดายเป็นนายกอ่ะ ประธานคณะราชก็คือคณะมนตรีเลยท่านปรีดีเสนอเขาโครงเศรษฐกิจเข้าคอรมอมันเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติดีๆนี่แหละตอนก่อนจะเสนอก็ไปปรึกษานายกปรึกษาเพื่อนคอรมอใครต่อใครเขาเห็นดีด้วยหมดก็ผ่าซื่อ เสนอเข้าคอรมอลพอเข้าคอรมอเนี่ยมันจะโดนช้ำแหละเขาเรียกว่าเขาโดนลากขึ้นเขียงนั่นเองสกัดดาวรุ่งอะ่ะโดนตีเละในคอรมอลยังไม่พอซื้อเอาไปเล่นงานอีกมันมีหลายประเด็นแต่ประเด็นหนึ่งก็คือที่ที่โดนเล่นงานมากก็คือการปฏิรูปที่ดิน พูดในสมัยนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกปฏิรูปที่ดินแต่ในสมัยโน้นเนี 24, Gen 5, Gen 5, Gen 6, ่ยสองสี่เจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็หกมันเขามองว่ามันเป็นแนวคิดคอมมิวนิสต์คาร์มาร์สเพราะฉะนั้นท่าปนปรี้ก็ถูก้ตยสีเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยว่าเขาโคลงคอมมิวนิสต์เป็นเหตุให้อยู่เมืองไทยไม่ได้ พญาพระหนผลพญาเสนามากะซิบว่าต้องในประเทศตัวเองออกนอกประเทศไทยเป็นคอรมอเป็นรัฐมนตรีอยู่ไม่ถึงน่าจะปีก ว, ว่าเท่านั้นต้องออกนอกประเทศไทยโดยคําแนะนําของพญาพระ อ, อนเป็นหัวหน้าพญาผลก็เป็นหัวหน้าฝ่ายทาหารใช่ไหมตัวเองเป็นหัวหน้าฝ่ายพลเรือนออกไปอยู่ต่างประเทศและตอนที่ออกต่างประเทศเนี่ยอายุแค่สามสิบต้นๆเนี่ยเขาตั้งตําแหน่ง รัฐบรุษอาวุโสให้ละเพราะเหตุที่จะต้องไปต่างประเทศนี่แหละจนกระทั่งพญาพ่อหนปฏติวัติพยามโนโปรกรณ์นิติธาดาแล้วตั้งรัฐบาลใหม่จึงเอาท่านปรีดีกลับมาแต่มันเสียรังวัดมันเสียเชิงใช่ไหมกำลังเริ่มต้นดีๆเนี่ยถ้ามองในแง่หนึง่งท่านปรีดีเป็นเป็นหัวหน้าฝ่ายพลเรือน และก็ไปเพี้ยนพร้มฝ่ายทหารโดยพยาพยาพ้าผลเนี่ยก็ทองอำนาจมาจนถึงจนพจอรพลปออะไรต่อมาเรื่อยๆท่านคงคิดถึงเรื่องนี้ความเพียพ้ยนพ้ําทางการเมืองนี่เยเพราะอ่อได้อยประสบการณ์ท่านจึงถือว่าเป็นความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่แล้วท่านอธิบายอีก ในคำสัมภาษณ์บอกว่าที่เชื่อมั่นตัวเองเกินไปตอนนั้นเนี่ยคิดว่าไอสิ่งที่เราเสนอเนี่ยมันดีมันถูกต้องทั้งทั้งที่จริงๆเนี่ยมันลอกตำลาฝรั่งมาไม่ได้ดูบริบทของสังคมไทยไม่รู้จักสังคมไทยเพราะไปเรียนนอกมาแต่เด็ก แล้วท่านปรีดีบอกว่าถ้ารู้จักคนไทยตอนนั้นเนี่ยรู้จักมากกว่านั้นเนี่ยนะจะมีความอดทนชี้แจงให้สื่อให้นักการเมืองให้คนไทยเข้าใจเขาโครงเศรษฐกิจมากกว่าที่พูดตอนนั้นแต่ความที่ตัวเองมีก็มีความเชื่อมั่นเรื่องว่าของตัวเองดีโดนวิจารณ์ก็ไม่ตอบไม่ชี้แจงให้มันกระจ่าง นึกว่าคนอื่นจะเข้าใจและนึกว่าคนอื่นเขาจะซื้อจัหยิบเอาประเด็นที่คนสงสัยไปซ้ําไปย่ําไปเติมและตัวเองก็ไม่แก้ไม่ชี้แจงมันก็เลยลุกล้กนี่คือความอ่อนด้อยประสบการณ์ท่านบอกว่าถ้าย้อนเวลาได้ใหม่ท่านจะชี้แจงให้มากกว่านี้ หรือเขาให้ปรับอะไรก็จะปรับไม่ดื้อเห็นไมมันจะยืดหยุดเพราะรีบทำการใหญ่ก่อนที่จะมีประสบการณ์เนี่ยมันจนผิดพลาดท่านจงสรุปไว้ดีนะประโยคนี้บอกว่าจากเหมือนกับจากชีวิตของท่านเองท่านสรุปว่าในคำสัมภาษณ์ตอนมีอำนาจ เราก็มักจะขาดประสบการณ์อำนาจคือตำแหน่งใช่ไหมมีตำแหน่งมันจะเป็นว่าอำนาจมากอำนาจน้อยท่านมาเป็นนายการนก็ถือว่ามีอำนาจตอนมีอำนาจก็มักจะขาดประสบการณ์วงเล็บที่เหมาะสมกับตำแหน่งมันก็เลยล้มเหลวไงตอนมีอำนาจก็มักขาดประสบการณ์ตอนมีประสบการณ์ก็มักจะหมดอำนาจแล้วเสียใจไหมละ่ะ ความรู้ความสามารถเพียบเลยแต่ไม่มีเวทีให้แสดงเพราะฉะนั้นท่านจะต้องบอกว่าตอนนี้เรามีเวทีแสดงนะขาดอะไรความรู้ความสามารถทำยังไงเพิ่มเติมจากที่เราเรียนมาตำรามันจึงมีเอกหลักสูตรอบรมเป็นอายการผู้ช่วยนี่แหละเขาให้ท่านเตรียมตัวให้มีประสบการณ์ในที่ทางานใหม่ อย่าไปดูเบา้าและตักตัวให้มากที่สุดไปสังเกตไปศึกษาเพราะมันเป็นโอกาสที่เราจะเตรียมความพร้อมถ้าสิัเงเปลี่เขาบอกว่าสัญชาติลิงยิ่งเป็นสูงขึ้นไปเท่าไหร่คนก็รู้ว่าเป็นลิงมากขึ้นเท่านั้น ตอนอยู่ใต้ต้นไม้ไม่รู้ว่าเสือหรือแมวหรือหมีมันเหมือนเหมือนกันแต่พอมาปีต้นมะพร้าวนะโอ้มันอยู่ไม่สุขกับลิงแทๆ้ๆคนที่ไม่ได้เรื่องในลาวตอนอยู่ตําแหน่งเล็กๆเนี่ยคนยังไม่รู้หรอกยังไม่สังเกตพอเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นต่อขึ้นความไม่เอาไหนมันก็จะปรากฏฉะนั้นทํำยังไง เตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะปีนต้นมะพราะ้าวอ่ะหาความรู้ความสามารถอย่าไปตายเอาดาบหน้าผองชื่อนักปราชญ์จีนเขาบอกว่าเยาว์วงว่าใครไม่รู้ว่าท่านเก่งหรือมีความสามารถหรือไม่ไม่ต้องโชว์ออฟไม่ต้องอวดและไม่ต้องห่วงว่าเขาจะไม่รู้ อย่าหวงว่าใครไม่ไม่รู้ว่าท่านเก่งหรือมีความสามารถหรือไม่ห่วงแต่ว่าสักวันหนึ่งเมื่อมีคนขอยกย่องท่านให้ตำแหน่งท่าท่านมีความเก่งและความสามารถสมกับตำแหน่งกับการยกย่องหรือเปล่าอย่าไปห่วงว่าเรา ใครจะรู้บ้างว่าเราเก่งขนาดไหนจบมาจากไหนอย่าไปห่วงห่วงแต่ ว, ว่าเราต้องสะสมบา ร, รมีความรู้ความสามารถของเราฉะนั้นไอการที่เราสะสมความรู้คาบา ร, รมีอะไรต่างๆรวมถึงความสุ ข, ขุมรอบคอบเนี่ยเขาเรียกธรรมะใช่ไมละ่ะ ทั้งที่เราแลปลเราไม่ใช่ภาสาในรูเอชิวเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมะที่อยู่นอกตัวเราเลยมันอยู่ในตัวเรานี่แหละที่เราสอนตนเองอย่าอย่าอย่ า, อ ย, าอย่าไปออย่าไปกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคอยเตือนตัวเองเนี่ยนะท้นี้คือธรรมะธรรมะในชีวิตจริงอย่างที่ท่านปรีดีสรุปไปนเนี่ยคือธรรมะจากชีวิต ให้ตัวเองได้เตือนเตือนสติตัวเองสอนตัวเองนี่คือธรรมะในชีวิตจริงซึ่งมันต่างจากธรรมะที่เราเรียนมาจากประถมมัธยมอันนั้นเราท่องเป็นข้อๆแล้วมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ตอนนี้เนี่ยเรามาทำงานจริงมันของจริงเราจะต้องพัฒนาคุณสมบัติในใจของเราเช่นความซื่อสัตย์ความอดทน ความขยันหมั่นเพียรความรู้ปัญญาเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่สะสมไว้ในในจิตใจของเราเป็นบุคลิกภาพของเราที่เขาเรียกว่าค h แรคเตอร์ฝรั่งเขาเรียกคแรคเตอร์คนเราจะประสบความสเร็จเนี่ยมันมาจากลักษณะของเรามันสอดคล้องมันดีงาม ตรงกับที่สังคมต้องการและถ้าเราไม่รู้จักสังคมอีกเราก็เปล่งประกายไม่ได้ที่ว่ามาเนี่ยคือธรรมะในชีวิต จ, จริงที่ท่านปรีดีท่านอะไรประสบไม่ว่าจะเป็นองเบ้งไทด์โอไทดพูดถึงฉะนั้นเราก็จะต้องมาเข้าใจว่าคำว่าธรรมะเนี่ยนะมันมันคืออะไรในชีวิต จ, จริงเน่ททหลักธรรมสำหรับนักบริหารเนี่ย ที่ว่ามาเนี่ยมันเป็นเราเราสรับบัญญตัติเราเรียกว่าเวอร์ชเราเรียกว่าคุณธรรมคุณธรรมเนี่ยคือคุณสมบัติในจิตใจของเราทำไมบางคนเนี่ยนะจะขอขอขอยกตัวอย่างที่ที่มันเหตุการณ์ที่ใกล้เนี่ย ในคำสัมภาษณ์ของฝรั่งที่ดำน้ำที่เขาไปพบเด็กคนแรกการจะดึงการจะเอาเด็กออกมาเนี่ยอันตรายมากออกมาจากทัพแต่เอาอยู่ก็เอาอยู่ต่อไปก็อันตรายสิ่งที่นักดำน้ำทุกคนจะต้องมีคือคนสนับในิตจใจคืออะไร อันนั้นนะ่คือคุณธรรมสำหรับนักดำน้ำโดยเฉพาะที่ทำให้เขาประสบสำเร็จเขาพูดวเองเขาบอกว่าอะไรก็ได้คือไม่ใช่อะไรก็ได้ไไไดสิ่งที่ห้ามมีในความคิดเลยในการเป็นนักดำน้ำห้ามมีเรศขังห้ามให้เกิดขึ้นคือแพนิคตื่นเต้นทุรนทุราย อยู่ใต้น้ำต้องสงบอย่างยิ่งคามอย่างยิ่งนิ่งอย่างยิ่งถ้าถ้าคนดำน้ำเนี่ยเกิดตกใจทุรนทุรายอะไรขึ้นมันคือหายนะเฉพาะในเหตุการณ์นั้นเพราะฉนั้นเวลาที่เราอ่านข่าวเราจึงบอกว่าสิ่งที่กลัวอย่างยิ่งคือ เด็กสิสามคนที่ไม่ใช่ดักนำน้ำจะแพนิคทุรนทุรายแตกตื่นแล้วมันจะดิ้นแล้วมันจะไปชนโขดหินชนอะไรต่างเพราะว่าวทัศนวิสัยมันมืดมากชนโขดหินแล้วมันอันตรายไงไะหน้ากากหายใจมันแตกน้ำกระเท่าก็ตายแค่นั้นแหละถ้ายิ่งดิน้นปะไหลเนี่ยอยู่ในที่แคบที่มืดเนี่ย แล้วตัวเองนำเด็กออกมาแล้วตัวเองตึตกใจตื่นเต้นขึ้นมาเด็กเขาจะเซ้นเขาจะรู้มันคือหายานะในสถานการณ์นั้นคุณธรรมที่สำคัญที่สุดคือความอดทนคือสมาธิสงบเห็นถ้าเป็นสนามลกความกล้า เด็นเดียวแต่ดำน้ำอะ่ะมันคือความสงบมันคือสมาธิคือความเย็นเหมือนน้ำเพราะฉะนั้นทำยังไงจะให้เด็กมีความสงบเขาไม่เคยถูกฝึกไว้มันจึงออกมาว่าต้องฉีดยา ก, กล่อมประสาทที่ที่หมอจอก็เจียเนี่ยที่เขาเข้าไปอะ่ะ ทุกอย่างมันเป็นเหตุเป็นผลกันหมดแต่ไม่ใช่อยากสลบเพราะเด็กเด็กจะต้องเหมือนกับบีบมือได้ส่งสัญญาณได้ว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงหายใจยังไงเราไม่ได้ใช้คุณธรรมเต็มแห่งคุณธรรมมียยะเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขาจริงๆในชีวิต จ, จริงเราอะแต่ว่าในสถานการณ์นี้ ตรงนี้ใช้อะไรดักดำน้ำต้องใช้ความอดทนต้องใช้สมาธินักกฎหมายต้องใช้ธรรมะอะไรถึงจะทำให้ท่านทำงานของท่านได้อย่างดีนี่คือประเด็นมันยังเรียกว่าธรรมะสนามกฎหมายไงธรรมะสนามดำน้ำของครูของอะไรก็ตามธรรมะเหมือนยา เขาเรียกธรรมโอสถแล้วคมเคยได้ยินเนี่ยสักกัตวาธรรมมรตนางโอสถานขอสักการะธรรมะที่เป็นโอสถคื อ, อยารักษาโรคทาง จ, จิตใจยาทางใจก็เหมือนยาทางกายเราเข้าไปในร้านยาเนี่ยมันมีเต็มร้านเลยใครเขาจะซื้อยาทุกขนาดในร้าน่ะ แม้กระทั่งตู้ยาสามัญประจํำบ้านเนี่ยเต็ไมไปหมดแต่เวลาเราลงไปนี่เราเลือกยาที่มันตรงกับเราโรคที่เราเป็นตอนนี้ฉันปวดท้องท้องเสียเอายานี้ตอนนี้ฉันปวดหัวเอายานี้ปวดท้องกับปวดหัวเป็นคนละเรื่องถึงปวดเหมือนกันธรรมะก็เช่นเดียวกันเราปวดท้องไปใช้ยาแก้ปวดหัวโรคไม่หายฉันใด อย่าธรรมะก็เหมือนกันจนแล้วเกินใช้ธรรมะอะไรดีไปถามเพื่อนอย่าธรรมะแกจนเพื่อนก็บอกว่าอุเบกขาสิดีทำไมล่ะมันจะดียังไงอุเบกขาเพื่อนก็บอกว่าอ้าก็วางเฉยแล้วจะจนจนชินไปเองมันได้ที่ไหนหรอใช่ไหมอุเบกขามันไว้สำหรับผู้ใหญ่เวลา ไม่เหมือนกับในนัปรัาพวกท่านเนี่ยตัดสินเนี่ยใจจะต้องเป็นกลางเป็นนักกฎหมายต้องมีอุเบกขาแต่กลับไปบ้านไปทำงานอย่าไปบอกภรรยาว่าอุเบกขาเดี๋ยไปหาเงินเยอะนะึ่งขาจะไล่ทีขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ใดใช้ธรรมะอะไรการใช้ธรรมะให้ถูกฝาถูกตัวถูกสถานการณ์ เขาเรียกว่าธรรมานุธรรมะปฏิบัติธรรมะอนุธรรมะเขาเรียกธรรมานุธรรมะและก็ปฏิบัติเราจะได้ยินคำนี้บ่อยธรรมานุธรรมะปฏิบัติก็คือการประยุกต์ใช้ธรรมะหัวข้อย่อยอนุธรรมะอนุแปลว่าน้อยให้สอดคล้องกับธรรมะใหญ่คือเป้าหมายที่เราต้องการเราไม่ได้ใช้ ธรรมะย่อยมันทุกสถานการณ์ที่ไม่ตรงกับเป้าหมายดำน้ำต้องมีความสงบนิ่งเห็นไหมเป็นนักรบก้องมีความกล้าอย่างนี้เป็นต้นทีนีส้สิ่งที่อยู่ในใจของเราเป็นคุณสมบัติเนี่ยมันจะต้องสนับสรุน ง, งานที่เราทำ คุณลักษณที่อยู่ในใจเช่นความความกล้าเนี่ยมันเหมาะสำหรับสถานการณ์ไหนความฉลาดเหมาะสถานการณ์ไหนความซื่อตรงเขาเรียกว่าปฏิบัติทาน้อยให้คล้อยทาใหญ่อนุธรรมานุธรรมปฏิบัติเราจะต้องปลูกฝังคุณธรรมไว้ในใจคุณงามความดีไว้ในใจสภาพคุณงามความดีภายในจิตใจเนี่ยเป็นรากฐานของจริยธรรม ไ ม, ไม่เหมือนกันนะคุณธรรมเป็นคุณสมบัติภายในจิตใจซึ่งเรามองไม่เห็นแต่จะทำให้เรามีจริยธ ร, รรมโดยไม่ต้องฝืนใจคำว่าจริยธ ร, รรม อ, อ, อย่างเช่นความซื่อสัตย์ความอดทนความรักความสงสารเราดูไม่ออกว่าใครรักใครสงสารเราเพราะเขาอยู่ในใจเขาจะต้องแสดงออก การแสดงออกเป็นจริยธรรมจริยธรรมก็คือมันมีกฎเกณฑ์กติกาของสังคมถ้าคนมีความเมตตา ม, มันจะแสดงอย่างนี้ถ้าคนมีความซื่อสัตย์จะไม่คดโกงถ้าคอร์รัปชันอะไรแสดงว่าในใจเขาเป็นคนไม่มีความซื่อสัตย์สุจริงมันวัดได้ สายบัวบอกลึกตื้นชนเอือตื้นลึกชนธาณีน่ยมารยาทศอสนาชาติเชื่อมารยาทที่แสดงออกสอดคล้องกับกฎกติกาของสังคมเป็นมารยาทที่ดีกฎกติกาของสังคมคือจริยธรรมเป็นหลักพฤติกรรมที่สังคมยอมรับก็คือเช่นแม้กระทั่งกฎหมายแล้วขับรถตามกฎจราจรไอ้กฎจราจรเจรจรนะี่ยมันเป็นจริยธรรม ใครทําผิดจะรู้เลยพิกดจราจรเป็นนักกฎหมายเป็นอายการที่จะต้องว่าความให้แผ่นดินแต่กลายเป็นว่าไปทําให้ฝ่ายตรงข้ามให้รัฐเสียผลประโยชน์อย่างเงี้มันก็บอกแล้วว่าเราขาดหลักการความประพฤติเราไม่ปฏิบัติตามหลั ก, กความประพฤติที่ดีงามไม่มีจริยธรรมที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขเหตุตนเอง ก็คือสิ่งที่สังคมวางไว้แหลรว่ามันเป็นความดีงามแล้วเราเดินตามนั้นมันเป็นมันเป็นนองเป็นบรรทัดฐานเหมือนกับบรรทัดให้เราขีดเส้นอ่ะไอตัวบรรทัดเนี่ยมันคือจริยธรรมแล้วเราก็ขีดเส้นตามถ้าเราออกนอกเส้นนอกกรอบเพื่ออะไรเนี่ยเราออกนอกจริยธรรมมันจึงมีจริยธรรมวิชาชีพเป็นทนายก็มีจริยธรรมของทนายเป็นอายการมีจริยธรรมของนักกฎหมาย เขาเรียกจริยธรรมวิชาชีพครูก็มีจริยธรรมของครูแพทย์ก็มีจริยธรรมของแพทย์ในกรณีที่เป็นจริยธรรมเฉพาะนั้นเขาเรียกว่าจรรยาบัลคือ professional ethics เป็นบรรทัดฐานให้เป็นไกด์ไลน์ให้แต่และวิชาชีพสภาทนายความอะไรต่างแล้วแต่เขาก็จะมีกรอบเห่งความประพฤติสำหรับวิชาชีพ น, นั้นเาเรียกจรยาบัต จริยบัญญก็คือจริยธรรมวิชาชีพที่มันเป็นลายลักณ์อักษรหรือตกลงกันไว้เฉพาะกลุ่มถ้าเป็นจริยธรรมทั่ ว, วไปเขาเรียกเป็นหลักความคืบดีที่ดีทั่วไปเขาเรียกจริยธรรมมันเป็นสากลแต่ถ้าจอดไปสำหรับอาชีพเขาเรียกจริยบัญญัตเท่านั้นและถ้ามันเป็นคุณสมบัติภายในจิตใจเป็นความรู้สึกนึกคิดเราเรียกว่าคุณธรรมถ้าเรามี ความรู้สึกนึกคิดที่ดีเราจะปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ต้องสนใจถ้าครูรักลูกศิษย์เขาจะตั้งใจสอนเองในศีลห้าเนี่ยศีลข้อที่หนึ่งห้ามฆ่าสัตว์เป็นจริยธรรมและความเมตตาความรักกรุณาความสงสา ร, รถ้าเรารักเราสงสา ร, ร, รเป็นคุณธรรมเรารักแมวเรารักสุนัขเราจะไม่ฆ่ามันการฆ่าผิดศีลผิดจริยธรรมก็ ค, มคือศีลธรรม แต่เพราะความที่เรารักแมวรักนกรักอะไรนะเราไม่ฆ่ามีแต่ช่วยมันเรามีศีลข้อที่หนึ่งโดยไม่ต้องฝืนใจเรามีคู่ครองการมีส่วนมิจฉาจาร์เนี่ยประพืช น, นอกใจเนี่ยก็รู้เห็นกันอยู่เพราะนั่นเป็นเรื่องของจริยธรรมศีลห้าเนี่ยนะแต่ถ้าเรารักคู่ครองเขาเรียกสถานะสนโดรักคู่สามีรักภรรยา มันไม่ฝืนใจที่จะต้องรักษาสิ่ข้อที่3เขาจะซื่อสัตว์ต่อคู่ครองเองฉะนั้นตัวเราจึงบอกว่าตัวคุณธรรมเนี่ยมันเป็นรากฐานของจริยธรรมสิ่งที่เราจะต้องปลูกฝังมันจะได้เกิดโดยตันุมัติก็คือปลูกคุณธรรมความดีในจิตใจฝึกฝนสร้างสรรค์ให้มากๆแล้วมันจะออกโดยตันุมัิเหมือนสถานาการณ์นี้ เมื่อหกเจ็นปีมาแล้วเนี่ยกับตันเครื่อ ง, งบินคนนี้สลามเบอร์เกอร์เนี่ยขับเครื่องบินหลังเนี้ยเป็นข่าวใหญ่ u ูเอ r w a วเเนี่ยลงจอดในแม่น้ำฮัทสักในวันหรือในช่วงที่ประธานาธิบดีโอบามาสาบาันตนรับตำแหน่งพอดีก็แปดปีเก้าปีเนะี่ยแล้วเป็นข่าวใหญ่มาก ในเมืองไทยก็ลงข่าวเครื่องบินย่งกระเรือ ล, ลอยเท้งเต้งในแม่น้ำเหตุก็มาจากว่าเอ้เครื่องบินลเนี้ขึ้นจากสนามบินที่นิวยอร์กพอขึ้นมาสักพักกับตันคนนี้เขาก็วิทยุบอกภาคพื้นดินว่าเครื่องยนต์ดับ ไปหนึ่งเครื่องทำไมอะ่ะชนนกฝูงนกตอนขึ้นเนี่ยฝูงนกมันเข้าไปในเครื่องยนต์ข้างหนึ่งดับเลยเครื่องยนต์ดับเขาก็เลยบอกว่าโอ้ต้องหาทางลงนะภาคพืคดินบอกต้องหาทางลงวนกลับได้ไหมกำลังคุยกันว่าจะหาทางวนกลับทันไหยเหลืออยู่ปีเดียวอะ่ะมันมีสองมันมันมั น, ม, น, ม, นมันดับเปเครื่องหนึ่ง เสร็จแล้วกับตามก็บอกว่าอีกเครื่องหนึ่งเครื่องยนต์อีกเครื่องหนึ่งก็ดับด้วยเออทาไมล่ะชนนกเหมือนกันแล้วคุณมีเครื่องยนต์เก่เครื่องสองเครื่องดับหมดเลยทําไงบินตับก็ไม่ได้หละเครื่องมันดับไปสนามบินกับอื่นก็ไม่ได้ลองนึกสิพอเครื่องยนต์ดับ บรรยากาศในเครื่องบินเปไ็นยังไงเงียบกริบเลยนะทุกคนเงียบเครื่องมันก็เงียบไฟมันก็ดับมืดตอนนั้นเนี่ยเสร็จแล้วก็กัปตันก็บอกภาคคืนดินทั้งหมดที่สนทนากันเซียนเอามาออกจากกล่องดำเลยเขามาออกได้ฟังเลยกัปตันเขาบอกว่า ผมจะลงจอดแล้วในแม่น้ำฮัสซันนั่นคือประโยคสุดท้ายกับตันก็ล่อนเครื่องบินลงแตกแม่น้ำฮัสซันลอยอยู่ในแม่น้ำความโชคดีของคนในเครื่องบินก็คือ ตอนนั้นแม่น้ำพัทสันไม่มีเรือสักลบเดียวมันเป็นหน้าหนาวช่วงเดือนมกราปกติเนี่ยคนไปเที่ยวเทพีสันติภาพอะไรต่างๆในเรือมัจะเต็้หมดแถวนั้นในปากแม่น้ำพัทสันไม่เคยมีที่ว่างในแม่น้ำเลยถ้าลงไปชนก็ระเบิดหมดเลยสถานการณ์มันเอื้อ มันเป็นใจให้ลงจอดได้นี่คือปฏิรูปะเทศะอยู่ในจุดในช่วงเวลาการละเทศะที่เอือ้อที่เราบอกว่าบุญแท้เลยอันที่สองกับตันคนนี้แกสงบมากเครื่องยนต์ดับแกล่อนลงหนึ่งในล้านนะที่มันไม่กระแทกน้ำแล้วระเบิด ต้องสงบอย่างยิ่งสุขุมอย่างยิ่งไม่แพนิคเลยสมาธิดีอย่างยิ่งแล้วค่อยๆแตะแม่น้ำ Smooth อ s เซ l ลก่ะการบินไทยคนจะไปดูงานนะแล้วนหละคือของจริงไม่ระเบิดแล้วคนที่อยู่ในเครื่องบินร้อยห้าสิบคน มีคนบาดเจ็บเพียงคนเดียวคือแอร์คอสตสขาหักเพราะแกเที่ยวเดินปลอกพูดไรัาร่าสุดยอดจริงๆนะพอพอเครื่องบินลงจอดเสร็จกับตันออกมาบัญชาการให้อบพยมทุกคนออกไปนอกเครื่องบินถ้ามีแพรให้อยู่บนแพรไม่ก็อยู่ที่บนปี อย่างที่เห็นในภาพพอทุกคนออกไปนอกเครื่องบินเสร็จเรือชายฝั่งมารับไปกัปตันจึงออกจากเครื่องบินเป็นคนสุดท้ายก็ไปรวมกัปตันก็ไปรวมกับผู้โดยสารริมฝักเขาจะกักไว้จนเดียวกันกัปตันนั่งช่วยไม่พูดไมจา ผู้ซื้อข่าวทั่วโลกขอสัมภาษณ์กับตันที่ทำให้คนรอดชีวิตเหมือนไม่พูดสักคำเพราะทางบริษัทบอกว่าห้ามพูดกดจนกว่าจะสอบสวนได้ว่าเครื่องเครื่องบินตกเพราะอะไรมันมีผลในทางกฎหมายผู้ซื้อข่าวไม่รู้จะไปสัมภาษณ์ใครก็เลยโทรไปหาภรรยา <c oughs> เจาะไปที่ภรรยาของกำตันถามว่าแปลกใจไหมที่สามีเป็นคนที่นิ่งอย่างยิ่งสงบอย่างยิ่งลองคิดดูทีไม่ได้ห น, น, นีออกจากเครื่องบินก่อนด้วยจอดลงด้วยสงบอย่างยิ่งแปลกใจไหมที่สามีเป็นคนอย่างนี้ภรรยาบอกไม่แปลกใจแกเป็นคนอย่างนั้นคำว่าเป็นคนอย่างนั้นก็คือ ไอ้อคุณสมบัติภายในจิตใจมันเสมอต้นเสมอปลายไม่ใช่มาเพิ่งเป็นเขาเป็นคนอย่างนั้นเนี่ยแต่งงานกันมาสามสิบปีนะภรรยาว่าแกจะทำอะไรเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยตามกำหนดการหมดเลยไม่เคยออกนอกกำหนดการทุกเช้านะก่อนไปทำงานแกต้องชงกาแฟให้ภรรยาทุกเช้าสามสิบปีผู้สึกข่าวบาอออ อย่างนี้เข้าใจใครทำได้บ้างนี่คือสิ่งที่อยู่ในใจเมของ New York, นิวยอร์กในยกตรีของนิวยอร์กก็เลยออกมาพูดแทนและยกย่องกับตันคนนี้ว่าเป็นวีร บ, บุรุษของเม น, น้ำพัสสังถ้าใครไปดูหนังสือพิมพ์ไทยในช่วงนั้นย มันจะพลาดหัวเลยวีรบุรุษของแมน่น้ำฮัสซัมมาจากคำสัมภาษณ์ของนายกเทศมนตรีนิวยอร์กยกให้เป็นวีรบุรุษเขาให้คำนิยามคำว่าฮีโร่ว่าน่าจะมาจากเนี่ยนักเขียนคนหนึ่งนึจงจำไม่ได้หรอนักเขียนอเมริกันคนนั้นเนี่ย ที่เขียน Old Man and the Sea er, จำไม่ได้แล้วชื่ออะไรเขาให้คำนิยามคำว่าฮีโร่ว่าฮีโรอิสซึ่งวีรบุรุษวีรสตรีก็คือ grace under pressure grace สง่างามภายใต้ความกดดันนั่นคือวีรบุรุษวีรสตรีมันกดดันสนารพัด แต่ยังสง่างามยังสงบยังสุขมุมจนตลอดเรื่องนั้นคนคนยกย่องท่านผู้ว่าเชียงรายสิบเจ็ดวันเราต้องบอกว่าプレสเดอร e プレชั่นไม่ไม่หลุดเลยนะ ไม่เกินไม่น้อยเพราะทำงานกับคนพว้โลกผู้หลักผู้ใหญ่ก็กดดันเพิ่งย้ายเขาไปคำสั่งย้ายเพิ่อองออกก่อนนั้นไปพายัพลดเกรดเขาด้วยแต่เขาไม่ได้เอามาแสดงอะไรเลยคุมคุมอารมณ์แล้วขอให้สัมภาษณ์ตอนหลังว่าตลอดเวลาสิบกว่าวันเขานอนวันละชั่วโมงทั้ง แล้วก็ไม่ต้องไปยกจ้องอะไรเขาเนี่ยเขาก็อยู่ของานี่คือต้องมีอะไรในใจที่ดีงามนั่นแหละคือคุณธรรมสง่างามภายใต้ความกดดันยิ่งเราเป็นนักกฎหมายเนี่ยเป็นอายการไปว่าความอยู่ในท่ามกลางต่อหน้าผูาา้วิพากษาใครต่อใครโจทย์จำเลยเนี่ยมันกดดันนะยิ่งมือใหม่เนี่ย ทำอยัางไรเราจึงจะเยือกเย็เยนสุขุมรอบครอบและตัดสินใจได้ถูกต้องพูดไม่มากเกินไม่น้อยเกินนั่นคือคุณธรรมที่เป็นประสงค์ที่เหมาะกับหน้าที่ของเราอย่างที่เรามาพูดกันว่าในสถานการณ์นั้นเนี่ยเราฟังทุกฝ่ายแต่อย่าไปหลงเชื่อใครมันจะเอีย ง, อ, ยงออกนอกความเป็น จ, จริง ข้อมูลต่างๆคนก็จะมาฟอ้องมาพูดหรือจะมาเสนอเราจะตัดสินใจอย่างเที่ยงธรรมท ำ, ทำยังไงและมันยังมีผู้ใหญ่ขอมาอีกมีผู้มีอำนาจกดดันอีกคดีนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ทำยังไงนั่นคือสิ่งที่จำเป็นจะต้องพัฒนา สำหรับผู้ผู้ที่ทำงานอย่างนี้ก็คือจะต้องมีสตินั่นเองก็คือสองคำต้องมีสติตลอดเวลาที่เราเรียกว่าอย่างกัปตันคนเนี้เขาตั้งสติได้สติมันจะเป็นสิ่งที่คุมตัวเองอยู่ไม่แตกตื่นไม่แพนิก และก็จะดึงปัญญามาเขาเรียกสติปัญญาถ้าเราตั้งสติได้ปัญญาความรู้ต่างๆมันก็จะระดมมาช่วยในสถานการณ์นั้นแต่ถ้าตั้งสติไม่ได้ความรู้มันไม่มาเช่นทําอาหารอยู่ในครัวอยู่ๆไฟมันลุกพลึบขึ้นมาน้ำมันมันล้อนเอนี่ยลุกพลุบไ ถ้าเราตกใจกลัวไฟไหม้บ้านเกินไปเราเอาหยิบอะไรมาฉีดเพื่อดับหลายที่สุด ก, ก็คือฉีดน้ำมันใส่เข้าไปอีกเพราะความตกใจหรือเอาน้ำสาดเข้าไปไฟก็เดนไปทั่วหมดแต่ถ้าไปหยิบถังดับเพลิงมาพ่นเคมีเข้าไปดับหรือเอาผ้า เยอะๆเนี่ยคุมปิดลงไปให้มันดับ<ม>เรารู้ทั้งนั้นแหละที่พูดเนี่ยแต่ถ้าท่านตั้งสติไม่ได้ทำผิดหมดเราจะเห็นกรณีฆาตกรรมวิ่งหนีฆาตกรเข้าไปในรถเขาวิ่งตา่างกุญแจรถก็อยู่ในมือแต่เสียบไม่เข้า ถาตกรมาทันน่ลากตัวออกไปถ้าเสียบเข้าช่องนั้นสตาร์รถหนีไปได้กะจบก็คือปลอดภัยสงางานภายใต้ความกดดันก็คือตั้งสติได้ก่อนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นนักดำนาไม่ว่าอะไรนะั้นเมื่อมันกดดันเนี่ยนะแม้กระทั่งกับตันสติคืออะไรสติ ที่เราแปลว่าระลึกรู้เห็นก็คือรู้ทันปัจจุบันสติก็คือสารณะแปลว่าระลึกนึกถึงอนุสติอ่ะระลึกนึกถึงปกติเรานั่งอยู่ที่เราจะนึกถึงบ้านนึกถึงโน่นนึก ถ, ถึงนี่ไม่ใช่สตสิการระลึกถึงต้องเกี่ยวกับปัจจุบันที่นี่เดี๋ยวนี้ที่เราแปลกันนะ hear and now อะ่ะถ้าสามารถ และดมดึงเอาความคิดมาอยู่เฉพาะหน้าได้ตั้งสติก่อนสตาร์ทเวลาขับรถใช่ไหมทะเลาะ ก, กับคู่ครองฟ้ากุญแจเลยโอโหมากมาขับรถออกนอกบ้านแค่ไปถึงถนนใหญ่ก็ชนกันแล้วอารมณ์มันยังอยู่ที่เถียงกันอยู่ ใจมันไม่ได้ตามมาในการขับรถดีไม่ดีโทรศัพท์ด่ากันอยู่นั่นเลยมือถืออ่ะที่ทำไมเขาไม่ให้ไม่ให้โทรมือถือขณะขับรถเพราะว่าการขับรถสําคัญที่สุดแต่กลายเป็นว่าเราไปให้ความสำคัญกับคุยมันก็ไม่อยู่กับปัจจุบันที่สําคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยมันต้องเลือกเอาเรื่องเลือกเอาเรื่องเดียวคือปัจจุบัน ถ้าถ้าเราไปใส่ใจกับเรื่องอื่นปัจจุบันเราจะจะไม่รู้ทันทีเลยเราจะตกเ้าเรียกตกปัจจุบันเพราะอะไรเพราะใจเราเต็มไปด้วยเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องทะเลาะกับคนที่บ้านเป็นอดีตกลัวจะไปไม่ทันประชุมอีกครึ่งชั่วโมงนี่มันรถมันติดและเกินเหยียบเต็มที่ัวังอนาคต แต่ตอนขับนี่ไม่สนใจเลยไปไม่ถึงเป้าหมายเหตุที่เราไม่สนใจปัจจุบันเพราะอะไรเพราะความคิดเรามันเต็มไปด้วยข้อมูลที่เกี่ยวกับการทะเลาะในอดีตก็คือเมื่อห้านาทีที่ผ่านมาใจมันยังผูกคือเรื่องนั้นจิตเราไม่ว่างเราไม่ได้ปล่อยเรื่องอดีตเพื่อมาใส่ใจกับการขับรถในปัจจุบัน ถ้าเราปล่อยอดีตมาใส่ใจในการขับรถไปเขาเรียกว่าตังสติสําเร็จเวลาที่เราหยิบแก้วนี้ใช่ไหมมือเราก็ไม่ว่างเราจะหยิบไอ้ไมโครโฟนไม่ได้มันต้องวางแก้วก่อนแล้วจึงจับไมโครโฟนไนดะ้มันไม่มีใครหรอกที่สามารถจับทั้งแก้วจับทั้งไมโครโฟนได้มันเป็นกดของจิต จิตมันคิดได้หนึ่งเรื่องต่อหนึ่งขณะเท่านั้นมันคิดสองเรื่องไปได้พระพุทธเจ้าเรียกว่าเอกกัตตาคิดได้หนึ่งเรื่องต่อหนึ่งขณะเราไม่สามารถจะคิดหลายเรื่องพร้อมกันเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันจะต้องใจมาอยู่ตรงนี้เรื่องเดียวเราจะคิดปัจจุบันไปพร้อมๆกับ อดีตไม่ได้ในหนึ่งเซียววินาทียกเว้นแต่ ว, ว่ากลับสลับไปสลับมาได้ขับรถก็ดูไปด้วยบางคนก็แต่งหน้าไปด้วยอะไรไปด้วย <c oughs> ในขณะนั้นเนี่ยคือจิตมันไม่ได้ทำงานพร้อมกันนะมันดูขับรถด้วยดูแต่งหน้าไปด้วยอะไรในมันวิ่งไปวิ่งมาแต่มันมีสิทธิ์หรือแต่ถ้าเราไปคิดแต่อดีตเต็มร้อยด้วยความโกรธปัญญามันไม่มาเพราะอะไร เพราะมันไปนอยู่กับเรื่องที่ถูกยั่วให้โกรธมันคิดถึงเรื่องเฉพาะหน้าไม่ได้อันนี้มันเป็นหลักปฏิบัติทั่วไปแต่ในทางประสาทวิทยาเขาทำ เ, าเขาทำวิจัยออกมาแล้วว่าทำไมเวลาที่เรารับข้อมูลเนี่ยนะจิตเรารับข้อมูลเดี๋ยวนี้ข้อมูลเค้าเรียกเป็นบิตใช่ไหมกีบิต อย่างคอมพิวเตอร์เนี่ยมัน Processing ของมันมันเป็นบิตก็คือประมวลข้อมูลเขาประเบินประมวลออกมาอย่างนี้นะระบบความคิดเราเนี่ยหนึ่งวินาทีวันเ o กันเนี่ยเราสามารถรับข้อมูลได้หกสิบถึงร้อยยี่สิบิตไม่เกินร้อยี่สิบประมาณร้0ยี่สิบบิตอย่างมากตอนหนึ่งวินาทีนะ ในการประมวลข้อมูลเวลานั่งฟังกันมาเนี่ยหนึ่งวินาทีได้ได้ร้อยยี่สิบบิตแล้วเขาก็ประมวลไว้หน้าเวลาเราคุยกับคนเนี่ยให้รู้เรื่องเนี่ยเวลาคนมาคุยกับเราเนี่ยเราจะรู้เรื่องต่อเมื่อใจเราประมวลข้อมูลเกี่ยวกับคําพูดของเขาอย่างน้อยหกสิบบิตต่อหนึ่งวินาทีความสามารถเต็มเนี่ยมาร้อยี่สิบ แต่ถ้าเราใส่ใจเขาสักหกสิบิตต่อวินาทีเรารู้เรื่องที่เขาพูดสมมุติอีกมีคนสองคนมาพูดพร้อมกันเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เราจะรู้เรื่องรู้แต่ว่ายากมากๆเลยดีไม่ดีก็เอามาผสมกันหมดฟังไม่รู้เรื่องแต่ที่จริงมันรู้แต่มันผสมกันเพราะว่ามันหกสิบบวกหกสิบสมรรถนะเราร้อยยี่สิบบิตต่อวินาที ในการรับข้อมูลแต่พอสองคนมาคนนี้ก็หกสิบเขารียกมันเต็มสองคนเนี่ยพอฟังรู้เรื่องแต่มั่วแต่ถ้าสามคนพูดพร้อมกันเป็นไปไม่ได้ที่ท่านจะฟังรู้เรื่องเพราะมันเกิดร้อยี่สิบเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยคนมันจึงคุยกันไม่รู้เรื่องถ้ามันทะเลาะ ก, กันเพราะในขณะที่ทะเลาะเนี่ยมันไปคิดถึง ความไม่ดีของเขามันอยู่ในใจเนี่ยไม่รู้ข้อมูลกี่มิลส อ, อาจจะฟังแค่สิบห้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นคำพูดมันก็คายๆันหายๆไงเจราจากันไม่รู้เรื่องมันจะต้องมีคนกลางทึ่ฟังเต็มศักยภาพ 120, ร้อยี่สิบแล้วไปเกลียดทำไมลองมีอนุญาตโตตุลาการต้องมีคนกลางเพราะในขณะนั้นเราไม่ได้เอาข้อมูลอื่นมาใส่มาคิด ถ้าเราเอาข้อมูลในขณะที่ฟังเขาเนี่ยนะเราก็ด่าไปในใจมันโกหกมันอะไรต่างๆเล่าไปเรื่อยเลยไม่ได้ฟังเรื่ อ, องที่เขาพูดพราะใจเราไป ค, คิดแข่งอะ่ะคิดแข่งนี้ไม่ดีเราสรุปร่องหน้าการที่เราคิดแข่งและสรุปร่วงหน้าในทางที่ไม่ได้ฟังตามความเป็นจริงเนี่ยเราเรียกว่าอคติปริจุดิสมันเป็นปริจัดเมนตัดสินล่องหน้าไปแล้วและมันไม่ใช่ตัดสินเรื่องอะไรเอามาคิดแข่งด้วย ในการคิดมันก็เราก็ใช้120บิตในขณะคิดนั่นแหละมันไม่ใช่ฟังอย่างเดียวนะที่120บิตเนี่ยข้อมูลเราอะเต็มจิตเราในขณะที่เราฟังเราต้องการพื้นที่120บิตตอนหนึ่งวินาทีในขณะคิดก็120บิตแล้วถ้าท่านคิดแข่งกับที่เขาพูดท่านก็ฟังไม่รู้เรื่องในขณะที่ฟังกระตายอยู่เนี่ยถ้าไปคิดเพ้อฝันอนาคตอันดีกังวล นะที่มันเต็มภายในจิตมันจะไม่สามารถอยู่กับปัจจุบันคือเสียงของผู้พูดมันจึงฟังไม่รู้เรื่องสติคือท่านเคลียร์จิตของท่านจากความคิดที่มันเป็นคลื่นแทรกสัวิทยุที่มันฟังไม่รู้เรื่องมันคลื่นแทรกใช่ไหมไอ้ที่เราฟังกันไม่รู้เรื่องเนี่ยเราคิดคลื่นแทรกให้จิตมันทํางานร้อยยี่สิบบิต เพราะฉะนั้นเมื่อทำงานร2 0ยบยี่สิิตไอ้ข้อมูลมันก็เลยไม่เข้าสมององเราไม่เข้าจิตเราสติคือเคลียร์คลื่นแทกอยู่กับปัจจุบันเต็มร้อยคือร2อยี่สิบิตต่อวินา ท, ทีเอาเรื่องปัจจุบันที่เรากำลังเรียนเนี่ยรู้ทันปัจจุบันเขาเรียกฟันด้วยสติอย่างมีสติมีสติคื อ, อยังไงสติคือ สามารถตรวจสอบความคิดของตัวเองก็ได้เวลาเราอยากจะดูว่าตอนนี้เราเรารู้สึกยังไงล้ว เ, เอาใจสอบใจตรวจสอบตัวรปัจจุบันของเรามองให้เห็นจิตใจของเราเขาเรียกว่ามีสติตอนนี้เราเหงาเราเศร้าเราโกรธเพื่ออะไรเพื่อคุมตัวเองถ้าเรากลัวสุดขีดล้ว ร, รู้ว่ากำลังกลัวเนี่ยข่ม ค, ความกลัวลงได้มันจะสงบ และหาวิธีคิดที่มันจะให้ความกลัวลดลงอย่างเช่นคนกําลังเดินกําลังปีนตึกเนี่ยนะไม่ใช่สิปีนน้าตกเรื่องจริงเนี่ยนะเพื่อนก็ปีนน้าตกไอ้ขอบน้ําตกเนี่ยนะมันจะน้ําตกมันสูงใช่ไหมเพื่อที่จะไปถึงชั้นโน้นเนี่ยมันจะมีทางเดินจับตรงนู้นตรงนี้ปีนขึ้นไปบางทีมันชัน เพื่อนขึ้นไปได้เราก็นึกว่าเราขึ้นได้เราก็ปีนขึ้นไปไอ้เราก็โ ห, วโ ห, วโหวนวดเลนี่พอไปถึงข้อนทางนะอยู่ๆเรามองลงมาข้างล่างนึกได้ใจตกลงไปนี่เละต้นเป๊กแน่พอคิดเท่านั้นมันเย็นว่าบเลยนะไปีนต่อไม่ได้เขาเรียกฟรีสเลยใช่ไหมคลื่นแท้ง ไอ้ตอนปีนดีๆเนี่ยไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่เห็นมีปัญหาเนยอยู่กับปัจจุบันไงเฉพาะต้นไม้นี้ที่เราเกาะไอ้นี่ก็เกาะไปเกาะไปแต่พอมองลงไปเนี่ยมันไม่อยู่กับการปีนการเกาะแล้วมันเขาเรียกว่าตกจากปัจจุบันไปมองอนาคตอันใกล้ซึ่งเราตกไปตายคอหักเนี่ยเห็นภาพเลยเนาะเห็นไหมมันไม่อยู่กับเฉพาะหน้าแล้วจิตเรามันไม่ว่างที่จะทํากิจกรรมคือ ปีนไปจิตเราเต็มด้วยความกังวลในอนาคตหรือที่เขาสพประมาทว่าปีนไม่ได้เรามันเป็นคนเป็นโรคนั้นโรคนี้เออจริงเนาะเราหมดแรงแล้วเพราะเพราะฉะนั้นบางคนพอไปต่อไม่ได้ไปงต้องเรียกหน่วยกู้ภัยนะมาช่วยแล้วคำถามแล้วคุณขึ้นมาได้ไงลงก็ไม่ได้ขึ้นต่อก็ไม่ได้เพราะในขณะนั้นเนี่ย สภาพจิตมันมีคลื่นแทรกทีนี้ถ้าเราจะเคลียจากคลื่นแทรกตั้งสติแล้วดูความกลัวในใจของเราพอดูความกลัวในใจของเราเนี่ยเราจะต้องคิดด้วยปัญญาเพื่อเคลียความกลัวบางคนบอกไม่คลัวทาไมอุตสาหปีนมาได้ขนาดนี้แล้วยังไม่ตกเลยปินตอหลวงพ่อปัญญาณทะนะท่านเล่าให้ฝัง บอกว่าสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอยู่กรุงเทพไม่ได้ต้องออกไปอยู่บ้านบ้านเดินบ้านเกิดแถวพัทลุกแถวอะไรเงี้ยในโช์สงครามแล้ววันหนึ่งท่านก็เดินสนทนาธรรมกับหลวงพี่บอชเขมมาภิรักษ์สาหธรรมทางธรรมริมชายหาดเดินสนทนาธรรมบรรยากาศสงบสงบติ อย่ๆญี่ปุ่นยกพลขึ้นบอกเลยว่าพันธมิตรไปทิ้งระเบิดใส่ญี่ปุ่นก็ไม่ทราบเครื่องบินทิ้งระเบิดไป่รู้มาจากไหนมันมาทิ้งชายหาดนี่ยที่ญี่ปุ่นบุกตุ้ม ๆ, ๆ, ๆไม่ทันตั้งตัวเลยกําลังคุยกันเลือกว่าเราจะอุทิศชีวิตเพื่อพระศาสนานะห ล, ลุงพี่กำลังคุยอยู่หันไปทีพอตุ้มเดี๋ยวหลวงพี่หายไปไหนแล้วไปไปได้หมดเลยนะโอ้จะอุทิศชีวิตเพื่อศาสนาเอาไปซะแล้ว ตอนนั้นยังเป็นพระนุ่มอยู่แล้วตัวท่านเนี่กลัวสุดขีดเพราะมันไม่ทันตั้งตัวน่ยอยู่ๆตุ้มลงมาเนี่ยก็วิ่งไปหลบอยู่ที่ไอ้เนินทรายอะ่ะเนินทรายแล้วก็เห็นเครื่องบินมันหมดแล้วก็ทิ้งระเบิดตรงนั้นตรงนี้กลัวเหมือนกับว่าความกลัวมันจับหัวใจเนี่ยจะตายแหละจะหนีก็กลัวจะส่วนมากคนจะวิ่งหนีแล้ววิ่งหนีไปไหะไปหาระเบิดนเลย ท่านก็กําลังจะวิ่งเนี่ยเพระพาะความกลัวเนี่ยขำนัก อ, อกตัวเองจนตุ้งๆุงตุตแล้วท่านตั้งสติได้ทันโุ้ยเรานี่กลัวมากเนาะกลัวอะไรกลัวตายใจมันเต้นแล้วท่านก็สอนตัวเองว่าไงถ้ากลัวตายนั่นแหละดีแล้วแสดงว่ายังไม่ตายใครมันจะคิดได้เลยถ้ายังอยู่ให้กลัวเนี่ยแสดงว่าตอนนี้ยังมีชีวิต ยังไม่ตายยังไม่ตายเลยจะวิ่งไปท้ายโ ล, ลบอยู่ตรงนี้มันมันตั้งสติได้ตอนนั้นเน่ยนี่คือในชีวิตจริงของท่านที่ท่านเล่าถ้าเรารู้ว่าเรายังกลัวอยู่สแสดงว่ายังมีลมหายใจสแสดงว่ายังไม่ตายแล้วกลัวทาไมตายแล้วเคยกลัวสิอ่ะแล้วเ ร, เราให้ตายแล้วกลัวจะไปกลัวตอนไหนเอ อ, อมันก็จริงนะแล้วท่านก็เลยรอดอ่ะท่านก็ไม่ไปทนะ่านก็อยู่ตจนเครื่องบินมันไปเครื่องบินอหี้ย นี่คือการตั้งสติเต่แต่ท่าคนเคยฝึกนะฝึกสติพระท่านฝึกท่านเจริญสติอ ะ, อะไรเกิดภายนอกเหมือนแก น, นั่งฟังอาตมายอย่าในปัจจุบันเคลียร์ให้ว่างอย่างเรื่องอื่นที่มันรกสมองแล้วให้ข้อมูลมันที่อาตมาพูดเนี่ยมันมันเข้าไปแทนสักร้อยบิตหกสิบบิตก็ฝังรู้เรื่องแล้วทุกวินาที พอเอาข้อมูลที่สมาชิกพูดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะต่อกันเนี่ยเราจะเกิดความรู้เราเรียกว่าปัญญาแต่ถ้าท่านไม่รักข้อมูลเนี่ยปัญญามันไม่มานะหรือมากับท่อนกับแท่นสติมันจึงเป็นฐานของปัญญาเราจึงเรียกว่าสติปัญญาสติปัญญานะนั่นก็คือสิ่งที่ สติมาเนะี่ยปัญญาเกิดสติเตลเตมักเกิดปัญหาชัด <c oughs> เจนถ้าเรามีสติเรารับข้อมูลได้หกสิบถึงร้อยี่สิบปต่อวินาทีมันจะเรียงข้อมูลเข้ามาเป็นระบบเกิดปัญญาสติมาปัญญาเกิดแต่ถ้าเราไม่ไม่รับข้อมูลเต็มร้อยฟังกระท่อนกระเทม ฟังความข้างเดียวปัญญาเราก็บิดเบี้ยวสติตเตลิดมาเกิดปัญหาอาารคดิตมันมาจากไหนอคตาริมาจากฟังความข้างเดียวเราไม่ได้มีสติเต็มร้อยเพราะอะไรทนฟังไม่ได้โบ โ, โหมันโกรมัน <c oughs> เดี๋ยวเยวขอให้ฉันชี้แจงหนรู้แล้วไม่ต้องพูดพยภามสาแล้วเดินหนีกันไปเลยเห็นไหมการที่ แล้วปิดกั้นตรงนี้เนี่ยมันคือด่วนสรุปแล้วมันคืออักติอักติคืออะไรอักติซึ่งงานของผู้ที่จะตัดสินในนักกฎหมายทั้งหลายต้องไม่มีต้องปราศจากอักติคือมีปัญญาเต็มร้อยจุดเริ่มที่จะทํามีปัญญาเต็มร้อยคือสติก่อนฟังก่อนแค่ท่านนั่งฟังเขาได้หรืออ่านให้ตลอดเนี่ยมันคือจุดเริ่มของปัญญา สอนตัวเองอย่างนี้ถึงไม่ชอบก็ออกต้องอ่านถึงไม่อยากดูก็ต้องดูภาคฆาตกรรมฆาตกรทังหลายเนี่ยดูแล้วมันจะมีครูมีอะไรที่บอกไปถึงแรงจูงใจของฆาตกรแล้วก็ต้องดูเพื่อให้เกิดปัญญาแต่นี้พอเรากลัวเนี่ยเราไม่มีสติไม่มีสติเนี่ยเราก็ไม่ได้รับข้อมูลตรงนั้นเห็นไ้มทำไมหมอเนี่ยเขาไม่ผ่าตัด คนรักภรรยาหรือพ่อแม่เพราะเขาตั้งสติไม่ได้มือมันสัน่นมันเกร็งที่ผ่านตัดยากที่สุดคือในหลวงรัชการที่เก้าทำบอลลูนเน่ยหมอที่ไหนในประเทศไทยกล้าวังต้องไปเอาหมอที่อยู่ในอเมริกานะคนไทยที่เกิดที่โนูน่นมาทําบอลลูนให้ในหลวงรออยู่นั่นแหละกว่าจะหาคนกล้าเนะี่ย ผิดพลาดขึ้นมาถ้าเกิดเขาไม่มีสตินะผิดพลาดขึ้นมาล่วงขึ้นมาใสายเจ็ดชั่วโคไปคิดอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีสตินะไม่กล้ากันเท่านั้นเลยมือสัน่นมันต้องนิ่งก็เลยได้หมอที่อเมริกามาซึ่งตอนนั้นรู้เลยเป็นใคยยังไงเขาก็มาช่วงนั้นน่ะเขาไปอเมริกาอยู่ทีนี้สติอยู่กับปัจจุบันนิ่งเก็บข้อมูลทุกอย่างมาต่อมาเชื่อม มันก็เกิดปัญญาถ้าเราเก็บไม่ครบแล้วมาด่วนสรุปเขาเรียกอักติอักติคือลําเอียงหมายความว่ามันไม่ตรงตามความเป็นจริงเหมือนไม้มันเอียงไปเอียงมาเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะเราตัดสินผิดพลาดคืออักขติเนี่ยไม่ตรงตามความเป็นจริงอาจจะเพราะอะไรก็ตามนี่นในกรณีอย่างนี้เนี่ยท่านจึง ให้เราเว้นจากอาคติสี่ในทางปฏิบัติเนี่ยถามว่าทำได้ยังไรหนึ่งเริ่มจากตั้งสติ่อนไม่ให้ลำเอียงพอรักคือฟังความข้างเดียวเราชอบคนไหนเราก็เอาแต่เรื่องดีๆของเขาฟังแต่เรื่องดีๆของเขาด้านเดียวไม่ฟังด้านลบไม่ฟังให้รอบด้าน ปัญญาคือรอบรู้คือรู้รอบด้านมันไม่ใช่ความรู้ธรรมดานะปัญญาเนี่ยปอปลาเนี่ยยาไปว่ารู้ปอปลาไปว่ารอบรู้รอบเขาเรียกปัญญาถ้ารู้ด้านเดียวมันไม่ใช่ปัญญามันเป็นอคติเพราะฉะนั้นคนเนี่ยทั่วไปเนี่ยเขาไม่มีความพยายามเพียงพอที่จะมองทุกวิติมองให้รอบด้าน เขาจะมองด้านเดียวแล้วด่วนสรุปเหมือนเหมือนกับเราไปตลาดไปซื้อส้มนะเขาวางวางวางวางไวง้ถาไมส้มเด็กแม่ค้าก็จะปอกวางไว้ล่อลูกค้าแล้วแถมให้ชิมด้วยพอเราชิมหนึ่งเสี้ยวแล้วก็ดูลูกมันสวยๆที่แกะให้ดู หวานเจ็บเราสรุปว่าส้มทั้งเข่งเนี่ยหวานเหมือนกันหมดส้มหนึ่งผลเปรี้ยวก็สรุปว่าเออส้มหนึ่งผลหวานก็สรุปว่าทั้งลังหวานมันสมเหตุสมผลไหมไม่แต่ในชีพจังวันเราก็สรุปกันนี่คือไฟลซ์ซี่เหตุผลวิบัตในชื่อจังหวัน ซึ่งนักกฎหมายต้องไม่เป็นเพราะเราจะหาความเป็นจริงไม่ใช่อ่านรีพอร์ตรายงานแล้วสรุปในฐานะผู้พิพากษาก็ตัดสินเลยในฐานะที่เป็นพยานการพิจรณาก็บอกเลยใครผิดใครถูกไม่ใช่มันจะต้องให้ข้อมูลมันเปิดเผยตัวเองมาให้ครบทุกมิติเท่าที่จะทําได้และถ้าไม่ได้ก็หาไอ้ตัวที่มันเขาเรียก missing link เนี่ยตัวเชื่อมที่สําคัญบางคดีมันพลิกเนืเพราะไปเจอไอ้ตัว missing link เนี่ย ที่เรามองข้างได้พยานยใหม่ได้คนข้อมูลใหม่สามารถอุทธรณ์ได้ที่เราพูดกันทีนี้ในกรณีที่ส้มหนึ่งผลหวานเราก็สรุปว่าทั้งเข่งหวานเนี่ยมันคือด่วนสรุปเราเห็นว่าคนนี้หน้าตายอย่างนี้หน้าตานีอย่างนี้ไม่ใช่ฆาตกร ไอ้คนนี้หน้ายังกระจนโจนแน่ๆเพียงแต่เห็นหน้าเนี่ยรู้หน้าไม่รู้ใจเนี่ยแล้วเราไปสรุปเนี่ยคนนี้หน้าตาดีอย่างนี้เนี่ยฉันทาคติเข้าใจไหมสรุปเลยและในชีวิตจริงเนี่ยเรามีฉันทาคติบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเวลาเขาทำเขารับพนัก ง, งานเนี่ยเขาจะเอาหน้าตาดีโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นรีเซพชันนิสฝ่าย ตอนรับฝ่ายบริการลูกค้าเขายอมจ่ายแพงเพราะอะไรเวลาลูกค้ามาซื้อเนี่ยมันเห็นหน้าตาของคนขา ย, ยมันมันอยากซื้อแ่ละและถ้าเกิดผิดพลาดสินค้าไม่ดีหรือมีอะไรที่มันไม่ถูกใจแค่รอยยิ้มของพนัก ง, งานคำขอโทษเนี่ย มันลดความไม่พอใจสินค้านั้นแทนที่จะไปพูดต่อไปอะไรแบบอันนี้เราก็ต้องเข้าใจว่ามันทุกคนมันมีอคติความได้เปลี่ยนเสียเปรียบมันมีแต่เราที่อยู่ในหน้าที่ที่จะต้องหาความเป็นธรรมความถูกต้องมันจะต้องไม่หลงไปตามอาคติทุกคนยังมีฉันทาคติบ้าง พ่อแม่ยังรักลูกไม่เท่ากันพ่อแม่บางคนสารภาพเลยรักลูกไม่เท่ากันจริงแต่เวลาปฏิบัติต้องเท่ากันมันไม่มีใครหรอกรักลูกเท่ากันครับบน้อยแต่เวลาปฏิบัติต่อคนนี้ที่เรารักเราไปรักมันจะต้องเท่าเทียมกันเพื่อประโยชน์แกเด็กมันคนเราเลือ่องเราอาจจะชอบคนนี้ไม่ชอบคนนี้มันเป็นเรื่องปกติแต่เวลาให้ความให้รางวาัลให้ลงโทษ ต้องเท่าเทียมต้องพดคูความยุติธรรมถ้าพ่อแม่ปฏิบัติต่อลูกไม่เท่ากันเนี่ยอนาคตของเด็กจะเป็นยังไงที่ถูกละเอียงเพราะฉะนั้นเวลาแสดงออกมันต้องเท่ากันรางวัลอะไรก็ตามเท่ากันเราลำเอียงเพราะรักเลำเอียงเพราะชังคนไหนที่เราชังเราไม่ฟังเขาเราก็เอาข้อมูลข้างเดียวอีกลำเอียงเพราะหลงคำว่าลำเอียงเพราะหลงก็คือไม่ฟังข้อมูลให้ครบเหมือนเรื่องของ ส้มเนื้อเขาเรียกโดยสรุป ท, ทั้งทั้งที่มันมีพยานมีอะไรเพิ่มเติมเราก็บอกว่าพอแล้วแม้ว่า ท, ทั้งทั้งที่มันอาจจะสําคัญมันมีหลักฐานเพิ่มเราก็ไม่รู้ห ล, ลงก็คือคิดว่ามันครบถ้วนแต่ที่จริงมันไม่ครบมันไม่ถูกเข้าใจผิดนั่นแหละดังนั้นในในการามาสูตรเนี่ย พระพุทธเจ้าจึงสอนว่าอย่าด่วนสรุปเพราะเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็คืออย่าฉันตากติอย่าโทสากติอย่างเช่นอะไรอย่าสรุปเพราะฟันต่ามๆกันมาอย่าสรุปเพราะมันเป็นรายงานข่าวทุกวันนี้คนสรุปว่าใครเลวใครดีเนี่ยแค่ขึ้นหน้าหนึ่งก็สรุปแล้เป็นคนเลวเป็นคนดีเดี๋ยวนี้ไม่ใช่งนั้นส่งลายถึงกัน ส่งเมสเซจทำลายกันเด็กนักเรียนในต่างประเทศค่าตัวตายหลายคนเพราะเพื่อนลุมประนาม ท, ท, ทั้งที่มันไม่จริงและเขาไม่มีโอกาสตอบโต้ไม่มีการเ ซ, เซนเซอร์เดี๋ยวนี้ในยุค ข, ข้อมูลข่าวสารปัจจุบันที่ไร้พรมแดนเนี่ยมันจึงมีการใช้ออนไลน์เนี่ยทำร้ายกันไอ้เรื่องทำร้ายเนี่ยมันก็เป็นปรากฏการณ์ แต่ประเด็นที่กำลังพูดคือคนมันเชื่อเลยส่งแล้วถ้าไม่เชื่อฟังหูไวหูเนี่ยมันไม่ถึงกับเด็กมันไม่ต้องสึ่กับฆ่าตัวตายนะเด็กสาวฆ่าตัวตายจนกระทั่งในในตะวันตกเนี่ยเขาจะมีวันหนึ่งที่หยุดการทําร้ายทางออนไลน์เขาพยายามตั้งสร้างจิตสําลึกประเด็นมันไม่ใช่เฉพาะผู้สึกส่งข่าวสารเท่านั้น ผิดเบืเ่อนคนบริโภคเลยอยากจะเชื่ออยากจะสรุปอยากจะเป็นนั่นเป็นนี่โจโฉที่สุดยอดเลยในเรื่องของไอเขาเรียกว่าผู้พริการตลอดชีพเวลาเขานั่งเป็นประธาน ท, ที่ประชุมใครเสนอมาซิมคนเนี่ยเรื่องนี้ควรจะลบไม่ลบเป็นยังไงกต่างเขาไม่เคยโมใคร ใครพูดไอ้นี่ไม่ดีแล้วดา่าบางทีในที่ประชุมโง่แล้วคนไหนพูดดีสิ่งที่ดีที่สุดที่โจโฉจะชมเขาพูดอะไรเออโจโฉมีภาษิตประจำตัวว่ายัางไงขงเม้งเขามีเคาเขาเรียกว่ามัตโต้ประจำตัวเขาที่คนยกย่องเขาคือผู้ยังรู้ดินฟ้ามหาสมุทรฉลาด โจโฉมีคติมีมีเขาเรียกมีนิกเนมีมมีพาสิทธิ์ประจำใจว่าผู้ไม่ยอมให้โลกทรยศเขายินดีจะทรยศทุกคนแต่อย่าให้ใครมาทรยศตัวเขาระแวงแม้กระทั่งทหารอรอปภเซก c u ิตี้ที่ยืนเฝ้าอยู่หน้าประตูเวลานอนเนี่ยต้องมีคนอารักขา แต่มันมีวันหนึ่งคืนหนึ่งที่มันมีข่าวด่วนไอทาหารคนนี้ก็ถือถือดาบทะเลยทะล่าเข้าจะไปรายงานโจโฉไม่ได้หลับหรอกแต่ทำเป็นตกใจลุกขึ้นคว้าดาบฟันทาหารคนนั้นตายแล้วทำเป็นร้องไห้แล้วบอกขา้าพเจ้าเป็นคนฝันร้ายใครเข้ามาตอนหลับตายหมดทาไมเพื่อป้องกันไม่ให้ใครเข้ามาทำรายคนจะไม่เข้ามามาดีมา้ายฆ่าตายหมดเขายินดีจะฆ่าคนผิด ดีกว่าเขาถูกทำลายนั่นคือคติของโจโฉแล้วโจโฉเนี่ยชมคนที่พูดดีไว้ไงเขาบอกว่าที่ท่านพูดมาเนี่ยตรงกับใจข้าพเจ้าเลยแสดงว่าเจ้าายฉลาดใช่มั้ยังมากที่สุดก็คือฉลาดตามเจ้าไหนาเจ้าไหนาคิดไปแล้วจะดูว่าเองพูดถูกไหม เนี่ยอย่างมากที่โจโฉชมคนก็คืออะไรในลักษณะที่เวลาตัดสินคนเขาเขาบอกลวกหน้าไว้ถูกผิดอะไรต่างเขาไม่ได้ยกย่องใครเท่าไรหร่ในในใ น, ในเรื่องอย่างนี้เนี่ยเรื่องของความลำเอียง <c oughs> พระพุทธเจ้าจึงสอนว่าอย่าลำเอียงเพราะรักเพราะชังเพราะโกรธ ในการรำมสูดจะบอกว่าอย่าตัดสินเพราะฝั่งตามกันมาเพราะรายงานข่าวเพราะดูมันน่าเชื่อต้องพิสูจน์ก่อนทั้งนั้นเลยอย่าไปโดนตัดสินที่ว่าสิบข้อเนี่ยอย่าเชื่อเพราะว่าแหล่งข่าวดีอ้างแหล่งข่าวดีอย่าเชื่อเพียงเพราะว่าคนนี้เป็นคนที่เคารพนับถืออย่าไปฉันทากติเป็นต้นนั่นแหละคือแสวงหาปัญญา บางทีเราก็กลัวนะเรื่องนี้อย่าไปแตะนะมันมีเขตอิทธิพลก็เลยต้องแก้เราแก้ไม่สแสวงหาความจริงเกิดอะไรขึ้นในบ้านเมืองเนี่ยเรามักจะทำผิดซ้ำๆเพราะมันมีลับลรวมกลางมันมีเรื่องที่เราไม่รู้ที่เราเข้าไปสอบสวนสืบสวนไม่ได้แล้วก็ปล่อยเป็นความลับของสังคม ในขณะที่สังคมที่โปร่งใสยอย่างอเมริกาเนี่ยนะทำไมตึกวอลเทสจึงถล่มใครทำผิดบ้าง CIA ผิดตรงไหน FBI ผิดตรงไหนเนี่ยเขาทำรีพอร์ตของคณะกรรมาการพิมพ์ออกมาเป็นพันหน้าได้อ่านหมดไอ้คนขับข่อนบินเนี่ยที่ไปขับช น, นมันไปฝึกที่อัฟกานิสถานมาที่มาเลเซียแล้วก็มาพักอยู่ถนนเข้าสารเมืองไทยเขาทำรายงานละเอียดยิบเลย แล้วทางการของอเมริกาก็บอกไทยบอกว่าถ้าไอ้พวกนี้ไปไหนต่อให้ช่วยรายงานด้วยหลังจากพวกนี้บินไปอเมริกาสิบห้าวันทางการไทยเพิ่งแจ้งอ เ, อเมริกาเข้าไปได้สิบห้าวันทาง c ซอพอรู้ว่าไปอเมริกาเขาก็แจ้งไปที่เอฟบอให้ตามดูว่าไปทําอะไรมันไอตอนเนี้ยมันไม่ต่อเข้อมูลมันไม่เชื่อม เ b i ไม่ได้ตามไปดูว่าเขาขับเครื่องบินเขาทำอะไรปล่อยเขาไปอยู่ตรงนั้นใน่สุดก็เอาเครื่องบินมาชนตึก d t r a ิดหลังจากนั้นอเมริกาก็เลยตั้งกระทรวง Homeland Security เพื่อดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะไม่ให้ข้อมูลมันหายไม่ให้ลำเอียงเพราะหลงเพราะกลัวให้มันเกิดข้อมูลที่ชัดเจนการที่เรา ดำเนินการให้ครบถ้วนสมบูรณ์นั่นแหละคือหน้าที่ของผู้สแสวงหาความจริงผู้พิทักษความยุติธรรมพระพุทธเจ้าจึงตัดสอน เ, อเป็นพุทธภาสิต ท, ที่เกี่ยวกับนักกฎหมายผู้พิพากษาว่าตอนนั้นผู้พิพากษาตัดสินโดยลำเอียงพระพุทธเจ้าก็เลยพูดกับพระว่าในบาลีที่ว่าอาศะคะเสนะธรมเณนะสเมนะมมนะนยติปรีปต้นทึ้งแปลว่าอย่างนี้ผู้มีปัญญาคือหมอกรอบด้าน ตัดสินผู้อื่นโดยรอบคอบคือหมอบรอบดานเที่ยงธรรมสม่ำเสมอเที่ยงธรรมคือผดุงความยุติธรรมตามกฎหมายรักษาความเป็นธรรมผู้นั้นได้สมญา ว, ว่าผู้เที่ยงธรรมทำ ม, มัตโธแปลว่าเที่ยงธรรมการจะตัดสินโดยรอบคอบต้องไม่มีอคติเที่ยงธรรมคือยึดหลักไม้บรรทัดอะ สม่ำเสมอก็คือไม่ขึ้นอยู่กับแรงกดดันไม่ใช่ว่าถ้าตัดสินวันนี้คนนี้ไปอย่างนี้พอมันมีแรงกดดันก็อีกคนหนึ่งไปอย่างหนึ่งเ้าเรียกว่าหลายมาตรฐานโดยเที่ยงธรรมคือมีมาตรฐานเดียวกันสม่ำเสมอก็คือ ไม่ว่าใครก็ตามถ้ามาเข้ามาในกรอบนี้ต้องผิดอย่างนี้ต้องลงโทษอย่างนี้หรือให้เราให้ย ก, ยกฟ้องเหมือนกันหมดก็คือสม่ำเสมอภาษาฝรั่งเขาเรียกสม่ำเสมอว่าเป็นคนของทุกรดูการ Man of all s e a s o n หมายความว่าอยา่างไรสม่ำเสมอตัว น, นี้ก็คือ คนที่เหมือนกันในทุกฤดูกาลในประเทศเมืองหนาวอย่างใน ย, ยโุโรปอเมริกาต้นไม้มันจะเปลี่ยนสีตามฤดูกาลหน้าสปริงนะฤดูใบไม้ผลเนี่ยไไตอนแรกเราน้กว่าต้นไม้ตายมันมีตะกิง่ง เ, เวลาหิมะตกเนี่ยใบ ม, มัน่วมมาเลยแล้วตก่กิ่งก็นึกว่ามันตายพอถึงมีนาเบาเนา่ย วันแรกมันออกมานึกใบเขียวๆที่ปลายกิ่งนิดเดียวพอวันที่สองเขียวเต็มต้นเลยแล้วดูใบไม้ผลิมันจะเขียวทั้งทั้งต้นเลยมาเร็วมากอ่ามันก็นเขียวไปจกกนกระทั่งแล้วดูใบไม้ร่วงแล้วดูใบไม้ร่วงเนี่ยเป็นช่วงที่สวยงามประมาณเดือนตุลาเขาเรียกอกตรังอากาศมันเย็น ใบไม้มันจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองสีเขียวป่าทั้งป่าเนี่ยเวลาเราถ่ายภาพดูภาพเลยมันไม่เขียวนะมันจะเหลืองแดงอะไรต่างแล้วแต่ประเภทของมันมันก็สวยไปอีกแบบอ่ะพอเราดูหนาวอย่างที่ว่ารวบหมดเลยเหลือแต่กิ่งก้านใบไม้ต้นไม้มันเปลี่ยนสีทั้งหมดเลยทั้งป่าเลย ยกเว้นอยู่ต้นเดียวที่ไม่เปลี่ยนเขียวอย่างไรก็อยู่อย่างนั้นพอหน้าหนาวยี่บห้าธันวาคมเขาก็เลยเอามาทําต้นคริสต์มาสเอาต้นอื่นได้ไหมไม่มีมีแต่กิ่งแห้ ง, แ, งแต่ต้นสนเนี่ยมันอยู่และมันไม่เปลี่ยนเป็นเหลืองเป็นแดงอะไรมันเขียวอย่างนั้นเขาเรียกต้นไม้ของทุกฤดูกาลเขาเลยเอามาทําต้นคริสต์มาส ประเทศไทยเรามีทุกแบบแล้วก็เอาแต่ต้นฝนตามเขาไน้่แหละเพราะเขาเอาอย่างนี้ประเทศเรามไม่ขนาดนั้นหรอคนที่เปลี่ยนสีไปตามแรงกดดันเขาเรียกคนตามฤดูกาลแล้วแต่อารมณ์คุ้มดีคุ้มร้ายวันนี้ตัดสินอย่างนี้วันนี้นติดสัตว์ตัดสินอย่างนี้อย่างโน้นแต่คนไหนที่คงเส้นคงวาไม่เปลี่ยนแปลงเราเรียกว่า เป็นมนุษย์ของทุกระดูกานคือสม่ำเสมอทำไมคนถึงนิยมพญาพิชัยดาบหักนั่นคือตัวอย่างที่คนของทุกรดูการเอ้คือออนซีซันนะพญาพิชัยดาบหักลบกับพม่าจนดาบหักเป็นทหารคู่บารมีของพระเจ้าตาก พอเปลี่ยนแผ่นดินเปลี่ยนแผ่นดินเขาก็จะขอให้มาสวามิภักดิ์กับแผ่นดินใหม่พยาพิชัยบอกไม่เปลี่ยนยอมให้ถูกประหารคนอย่างพันท้ายดอราสิงนั่นก็ซึ่งหายากเป็นตัวอย่างสุโตองนะเราเรียกว่าสโตง แต่ว่ามันมันเห็นง่ายเข้าใจง่ายขานาดระเบียบเขาบอกว่ากฎหมายบอกว่าถ้าทำํำว่าเอหัวเรือหักเนี่ยจะต้องตัดคอครับขณนะพระเจ้าแผ่นดินพ ร, ระเจ้าเสือบอกว่าเอาหุ่นมาตัดแทนก็ยังไม่ออกกฎหมายต้องเป็นกฎหมายอันนั้นเนะี่ยคือตัวอย่างที่ว่าสุดตรงเลยในในทางปฏิบัติในทางปฏิบัติชีวิตจริงอาจจะไม่ขนาดนะั้นแต่นี่คือตัวอย่างเวลาเราเราอยากจะ ย, ย, ยกตัวอย่างคนที่เที่ยงธรรมเ่ย แล้วแต่สถานการณ์มันก็มีเปลี่ยนแปลงก็มีกับคนที่ยืนมาตรฐานก็มีในสังคมเรานี่คือต้องมีปัญญาเขาว่ามีปัญญาคือไม่ลาเอียงไม่อคติมองตามความจริงคือมีสติใช่ไหมฟังตลอดเศษยี่หกสิบิตร้อยี่สิบให้ข้อมูลมันเข้ามาแล้วตัดสินตามความเป็นจริงก็คือรอบครอบอ่านรอบด้านแล้วโดยเที่ยงธรรมตามบรรทัดฐานสม่ําเสมอ ทั้ระดูการเพื่อพระดุงความยุติธรรมที่เราพูดเราเรามารับอาชีพนี้เพราออะไรเพื่อรักษาความยุติธรรมในโลกและคนที่ทำเช่นนั้นได้เขาเรียกวผู้เที่ยนธรรมนั่นก็นคือนักกฎหมายในอุดมคติที่พระเจา้าตรัสไว้ก็มาถึงคาว่าปัญญาน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายเนะมื่อกี้จะมาพูดถึงสติปัญญาเพื่อไปขจัดอคติลำเียง และก็สามารถจะพะดุงความยุติธรรมคุ้ยคุ้ยหาความจริงเนี่ยมันจึงมาถึงคําสําคัญก็คือปัญญาอาชีพนี้ของท่านเนี่ยวิชาชีพของท่านเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความสุขขุมนิ่งเหมือนกับพวกดำน้ำแหละถึงท่านสุขขุมนิ่งมันก็ไม่ทําให้โดดเด่นเท่ากับปัญญาตัวปัญญาเป็นเรื่องสาคัญเพราะมันจะ ตัดอคตินิ่งสงบมันทำลายความแตกตื่นตระหนกซึ่งจำเป็นในการดำน้ำแต่ในการที่เราเสนอให้ผู้พิากษา ว, ว่าถูกผิดอย่างไรเนี่ยมันจะต้องมีปัญญาความสำเร็จเป็นอย่างตรงนี้และปัญญามาจากสติได้พูดแล้วสติก็คือคุมใจได้ก่อนอยู่กับปัจจุบันหรือ เปิดใจเรารับข้อมูลในปัจจุบันตามความเป็นจริงเวลาอ่านเนี่ยอย่าไปอคติโอไม่อ่านแลไม่ชอบไอ้คนนี้โดยสรุปไม่ใช่ฝืนอ่านฝืนฟังฝืนอะไรให้มันจบด้วยสติและพอเราฟังจบในต่างๆเนี่ยมันจะได้ข้อมูลตามความเป็นจริงเขาเรียกภาพรวมการที่เราฟังแต่ละอันเนี่ยเหมือนเอาจิ๊กซอว์มาวางไว้วางวางวา ง, างและเมื่อต่อครบเนี่ยมันได้ภาพรวมนั่นคือปัญญา การที่เราเอาจิ๊กซอแต่ลนะอันเนี่ยมารับมาเขาเรียกสัญญาสัญญาในที่นี้ไม่ใช่คอนแท็กนะสัญญาตัวนี้หมายถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นภาษาบาลีจะเห็นว่ายาแปลว่ารู้สั่งนี่แปลว่าเฉพาะเลือกเฉพาะหน้ารับข้อมูลเป็นเรื่องๆเราเรียกว่าสัญญาเพราะฉะนั้นเราจึงจำเนี่ยเราเรียกว่าสัญญาเสริมเนี่ยเราจําได้เป็นบางเรื่อง วันนี้กินข้าวหรื อ, อยังจําไม่ได้คนแก่งสัญญาไม่ไดีก็จําแค่เฉพาะเรื่องกินข้าวไม่ใช่ปัญญาเนอะจําคนนี้ได้ไหมหน้าตาคนนี้เฉพาะคนเฉพาะเรื่องแต่ถ้าถือว่าคนเดียวจําได้เฉพาะปัจจุบันอดีตจาไม่ได้จําได้เฉพาะบางรู้เฉพาะบางเรื่องเกี่ยวกับคนนี้เราจึงไม่มีปัญญาเกี่ยวกับคนคนนั้นสัญญาเป็นความจําได้หมายรู้รู้เท่าที่เห็นเข้าใจเท่าที่ฝัก คือรู้เป็นจุดๆเป็นเรื่องๆ เ, เฉพาะเรื่องเหมือนกับอ่านบนจอเนี่ยก็อ่าจได้เข้าใจได้สัญญาคืออะไรแต่พอถามว่าแล้วสัญญาต่างกับปัญญาอย่างไรโยงกันไม่ได้เพราะเรารู้เฉพาะถ้าที่พูดวันนี้คือสัญญาแต่ถ้าคนไหนเนี่ยรู้ว่าปัญญาก็คืออะไรต่างจากสัญญาไงมันครอบคลุมมันขี้คลายมันอะไอันนั้นแหละเรารู้ระดับปัญญาเด็กไม่สบายตัวร้อนมาหาเราเราจับตัวไอ้หนูตัวร้อนนี่ไม่สบายนี่กินยากแก้ปวด เราทําจากความจำว่าถ้าปวดหัวต้องกินตรงนี้แต่ถ้าเราเรารู้แค่ระดับสัญญาณพอพาเด็กไปหาหมอหมอเขาเอาเข้าห้องตรวจห้องแผลห้องอะไรต่างๆตรวจเลือดอะไรโอ้มันเป็นมากกว่าไอ้แค่ยาลบบแล้ะก็ปวดอะไรทีนี้อาจจะต้องติดเชื้อนะั้นเด็กตัวร้อนติดเชื้อมานอย่างไหนต้องฆ่าเชื้อต้องอะไรเขาและเขารู้มากกว่าเราหมอเขารู้ระดับปัญญาปัญญาคือรู้สมุดฐานรู้ระบบรู้เชื่อมโยง เหมือนอย่างที่เราพูดถึงอริยสัจนสะีเนี่ยรู้ปัญหาคือความเจ็บปวดเรียกว่าทุกข์เหตุของความเจ็บปวดเชื้อโรคคือสมุทยัยมักคือวิธีการรักษาให้หายได้อย่างไรคือนิโรธเนี่ยรู้อย่างนี้เขาเรื่องเขาจึงเรียกว่ารู้อริยศาสตร์คือรู้ปัญญาแต่จะเฉว่ารู้ทุกข์อย่างเดี้เขาปวดจันเอยเนี่ยมันเป็นสัญญาใครก็รู้แต่ทําไมถึงปวดรักษาอย่างไงนี่มันระดับปัญญาของหมอแหละกฎหมายคนนี้ทําผิด ผิดมาตราไหนแล้วจะลงโทษแรงอย่างไรอันนี้คนที่มีปัญญาด้านกฎหมายจะรู้มันไม่เท่ากันฉะนั้นปัญญามันจึงเป็นความรู้รอบรู้ลึกไม่ใช่รู้เป็นจุดจุดมันเชื่อมโยงกัน <c oughs> เพื่อแสวงหาความจริงเราจะต้องรู้ภาพรวมเป็นระบบรู้รอบรู้ลึก รู้มากกว่าที่เห็นเข้าใจมากกว่าที่ฟังคนที่มีปัญญาท่านเรียกมีประสบการณ์ด้วยนะอ่านอะไรปุ๊บมันสะดุดใจใช่ไหมแล้วมันจะโยงไปที่เขาไม่ได้อ่านฟังคำพูดของคนสะดุดหูสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นยังไง ร, รู้หน้าไม่รู้ใจหน้าตานีๆอย่างนี้มาหลอกเราหรือเปล่า พอฟังคำพูดโอ้หลอกเนเน่คนที่เป็นเหยือ่อตกทองบ้างอะไรบ้างเน่ไม่ได้คิดเลยเนะ่เอาทองคำมาเล้อเลยมาแลกกับทองที่คอเรามันมีคนที่ไหนเขาปัญญาอ่อนทำกันแต่ก็ยังถอดสร้อยคอแลกกับทองแท่งซึ่งพอเอาไปร้านมันเป็นทองชุบเขาเรียกตกทองมันดูมันดูผิดปกติสถานการณ์นั้น แต่ก็เชื่อมีคนที่ไหนเอาทองแท่งมาแลกกับทองเนือบาทเดียวเนคอเรามันปัญญาอ่อนหรือเปล่าแต่ไอคนที่ถอดทองจริงให้เขาเนี่ยปัญญาอ่อนกว่าแต่เราก็ทำมันไม่ได้ตั้งสติมันพอไม่มีสติความโลภมันบังตานะ่ฉันทากติบ้างอะไรบ้างเราก็เลยดวนสรุป ปัญญามันก็คือรู้รอบกับรู้ลึกรู้รอบคือเชื่อมโยงมองภาพกว้างและเชื่อมรู้ลึกคือสาวไปถึงอดีตไปถึงเบื้องหลังรู้รอบเหมือนกับรู้อะไรรู้มุมกว้างนั่ะเป็นภาพกว้างรู้ลึกนี่ขุดลงไปฉะนั้นเวลาที่เราทำงานจริงเราจะต้องรู้ลึกรู้รอบก็คือรู้ตัวเอง รู้ตนรู้คนรู้งานรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้ในชีวิตจริงมันเรารู้แต่ตาราคำพีมันรู้ลึกแต่เราอาจจะไม่รู้รออไม่ได้ประยุกต์ไม่ได้เชื่อมโยงไม่รู้จักสังคมเหมือนท่านปรีดีเนี่ยท่านอาจจะรู้ลึกในเรื่องกฎหมายแต่ยังไม่รู้คนคนไทยงานที่ทำยังไม่รู้เท่ารู้เท่าเอาไว้ป้องกันรู้ทันเอาไว้แก้ไข คำว่ารู้รอบก็คือเราเห็นเหตุแล้วเชื่อมไปสู่อนาคตได้เห็นเหตุแล้วโยงไปหาผลได้เขาเรียกทำมันยุตารู้จักเอ็ดอัฐ น, นยุตารู้จักผลแค่เห็นอะไรเกิดขึ้นตรงนี้เราสามารถโยงว่านิดเดียวเลยนะมันจะไม่ีอะไรตามมามันจะเกิดความระหวังระแวง ตอนนี้เนี่ยนะคนไทยร ะ, ระแวงระวังกันเยอะเรื่องเท่าทัพใช่ไหให้ไปเที่ยวฟรีก็ไม่เอามันเริ่มมันเริ่มคิดไปถึงอนานะคตแล้วเข้าไปจะได้ออกไหมเขาเรียกวัวหายเล้วข้อกันนะปิด ก, กันใหญ่แต่มันก็ยังดีรู้เท่าเท่าถึงการเอาไว้ป้องกันรู้เท่าเอาไว้ป้องกันรู้ทันเอาไว้แก้ไข เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยกลัวสึนามิกันละโอ้ใหม่ๆเกิดสึนามิใหม่ๆเนี่ยคนที่เจอสึนามิเนี่ยฝันผวาเลยไม่รู้อะไรมันจะมาอีกไปเยี่ยมเขาเขาบอกท่านแล้วมันจะมาอีกไหมที่หมู่บ้านน้ําเค็มมัอ่ะมันจะมาอีกไหมทําไมละ่ะก็คือเนี่ยลังหลับอยู่ดีๆคนตะกลนคลื่นยักษ์สึนามิมาแล้วเนี่ยวิ่งกันทั้งหมู่บ้านเลยคนที่รอดชีวิตเนี่ยเขาเรียกผันเสีย ไม่รู้เมื่อไหร่มันจะมาตกใจไม่ได้หลับใด้นอนก็บอกเขาว่าเดี๋ยวนี้มันมีระบบเตือนภนะัยแล้วมันมีทุ่นลอยนะคนญี่ปุ่นเขาทำเนี่ยเราก็มาใช้ละแต่ก่อนเราไม่ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเวลาคลืนมันมาในทะเลมันเตือนก่อนได้ตอนเกิดเรื่องนี้เราไม่ได้เตือนมันก็เลยคนก็เลยไม่ไม่รู้เรื่องสึนามิเลเท่าที่ควร ขอดูภาพสึนามิหน่อยไปดูข้างนนใน อ, ออกไปละคือสึนามิเนี่ยตอนที่เกิดที่ภาคใต้เนี่ยมันให้ดูสลายวันพดนีนี่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งเขารู้เท่าทันเขาเตือนเด็กคนนี้นี่เด็กคนนี้นชื่นทีวรี่สมิท เขาเกิดปัญญารู้เท่าทันในวันที่เกิดเหตุนเนี่ยปี247เอ๊ที่หาดไม้ขาวเขาพักอยู่ที่หาดไม้ขาวจังหวัดภูกเก็ตเนี่ยที่เนี่ยผู้หญิงตอนนั้นอายุ11ขวบทิวที่เดินไปกับแม่พ่อและกัน้องสาวอายุ7ขวบตอนนั้นตัวเองอายุ11ขวบเป็นชาวมกริชนนะี่ไปที่ชายหาดไม้ขาวแล้วมองไปในทะเล ตอนนั้นใกล้สิบโมงเช้าชิวลี่สกิดแม่แม่แมคลื่นยักษ์กำลังจะมาแม่ก็สะดุ้งทําไมพูดอย่างนั้นก็แม่ดูสิทะเลเนี่ยมันแตกเป็นฟองคลื่นเนี่ยเป็นฟองฟอัดเหมือนฟองเบียรเวลาพ่อลิเบียเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แสดงว่าคลื่นยักษ์กำลังจะมาแล้วเธอรู้ได้ไงคือหนูเรียนจากครู ก่อนมาเมืองไทยสิบห้าวันครูให้ทำรายงาน <c oughs> ก็เลยดวูวิดีโอตามยู u นะูบทำอะไรเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละแม่ก่อนคลื่นยักษ์มายังติดตาอยู่แม่ทำหน้าไม่ยักษ์ไหลไม่เชื่อลูกเดินไปทางทะเลลูกสาวก็บอกแม่แม่ทั้งคลื่นยักษ์มา น, นมันสูงท่วมต้นมะพราะ้าวตายหมดนะแม่ไอ้น้องสาวอายุเจ็ดขวบพอได้ยินว่าตายหมดมันตกใจ มันสะบัดมือที่พ่ที่จับอยู่กับพอ่อสะบัดมือรุนวิ่งร้องไห้กลับไปที่โรงแรมซึ่งอยู่ที่สุดพ่อก็เลยต้องวิ่งตามลูกสาวทิวเี่ ก, ก็วิ่งตามพอ่อเอาแม่ก็เลยต้องวิ่งตามมาเป็นแถวพนักงานโรงแรมเห็นฝรั่งวิ่งร้องกันมาไอเด็กตัวเล็กวิ่งตามแล้ววิ่งแล้ก็มาถามเกิดอะไรขึ้นพ่อก็เล่าว่าลูกสาวว่าอย่างนี้อย่างนี้พนักงานก็เลยถามเด็ก เด็กก็บอกว่ามันมีมันคลื่นมันเป็นฟองนะดูตอนนี้สิพนัก ง, งานคนไทยโรงแรมก็เออชุกใจนะอยู่มาตั้งนานไม่เคยเห็นเลยทาไมมันเป็นฟองมันยังไม่ได้เป็นคลื่นยักษ์นะมันแค่เป็นฟองกระชอ่งกระชั่ก็เลยปรึกษากันมันอาจจะมีอะไรก็ได้ปลอดภัยไว้ก่อน ผ, ออผู้บริหารก็สั่งให้เรียกนักท่องเที่ยวที่อยู่ชายหา ขั้ข้บที่หมดบางคนกำลังจะเอาเรือออกทังทายเล่นก็ขึ้นหมดเลเห well, ตุเพราะเด็กผู้หญิงคนเดียวการตัดสินใจนั้นเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นอะไรแต่รู้เท่าเอาไว้ป้องกันพอเอาคนขึ้นไปอยู่ที่โรงแรมหมดไม่นานเ่ยคลื่นยักษ์มาทุกคนรอดตายเป็นร้อยคนร้อยตายรอดตาย ส่วนมากเป็นชาวโยุโรปเขาก็เอาเรื่องนี้เมื่อกลับไปที่โยุโรปเนี่ยไปเล่าให้สื่อมวลชนฟังว่าเด็กผู้หญิงช่วยชีวิตเขารัฐบาลไทยตามข่าวเรื่องนี้ก็เชิญเด็กหญิงทิวรีสมิธเนี่ยมาร่วมงานครบรอบหนึ่งปีสึนามิ ท, ที่เมืองไทยที่ภูเก็ตและให้อ่านบทกวีไว้อะไรก็เลยสนใจเขาเอ๊ะทำไมเขาเชิญรัฐบาลไทยเชิญมาก็เลยรู้เรื่องนี้ ต่อมานิตยาสารฝรั่งเศสให้รางวัลชายโรเตียเกเด็กสมาคมดาวเคราะห์น้อยตั้งชื่อดาวเคราะห์น้อยที่พบในปีนั้นตามชื่อของทิวรี่สมิธให้เกียเด็กแล้วก็ตอนที่ทิวรีสสมิธไปรับรางวัลเธอมาจากอังกฤษไปรับรางวัลที่ฝรั่งเศส ฝรั่งเศสเป็นที่ตั้งของยูเนสโกยูเนสโกทราบเข้าก็ไปสัมภาษณ์เด็กเด็กก็บอกว่าไปเรียนมาจากครูชื่อแอนดรูเคนนี่ยูเนสโกก็ส่งทีไปสัมภาษณ์ว่าสอนอยังไงแล้วทำเป็นเป็นซีดีเนเผ ย, ยแพร่ไปทั่วโลกทุกวันนี้ถอดบทเรียน จากภูเก็ตว่าเด็กที่เรียนรังเรียนปฐมที่อังกฤษเนี่ยสามารถไปช่วยชีวิตของคนเป็นร้อยและเท่ากับสอนว่าการศึกษาต้องแบบนี้ให้ปัญญาสอนอย่างไรทำให้เด็กเนี่ยนอกจากช่วยตัวเองแล้วช่วยคนอื่นด้วย ตอนที่เธอขึ้นไปรับรางวัลเธอได้ชมว่าเออเธอได้บอกว่าอย่าชมแต่หนูคนเดียวว่าเก่งให้รางวัลหนูคนเดียวไม่ได้ต้องชมคุณครูของหนูว่าสอนเก่งด้วยอยู่ในสโกตึชไปถามครูลยว่าสอนอยังไงครูคนนั้นสอนภูมิศาสตร์ผู้สื่อข่าวก็ไปสัมภาษณ์ว่าแล้วทำไม ไปชม Stamp คุณครูว่าสอนเก่งทิวเรีก็บอกว่าก็ครูสอนเก่งจริงๆนะถ้าสอนไม่เก่งเนี่ยป่านนี้ครอบครัวหนูตายหมดแล้วที่ภูกเก็ตโดยเฉพาะคุณแม่นะี่ะตายก่อนเพื่อนเพราะอย่างนี้จริงๆเพราะแม่โดนหมีเขาว่าน่าจะตายก่อนเพื่อนเลยลูกสาวกับแม่จากกูซ่ า, าว่ากันสิ่งที่ ยูเนสโกเห็นตรงนี้เนี่ยก็ทำถอดรหัสเป็นบทเรียนว่าเอาเด็กยังเอาชีวิตรอดจากสึนามิได้อย่างไรส่งไปถั่วุตโลกทำนองเดียวกันเด็กสิสามคนรอดอย่างไรเนี่ยยูเนสโกหรือองค์การระดับโลกเนี่ยเขาถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่จะสอนเด็ก เขาห่วงเด็กเขารักเด็กถ้าเด็กไปเจอสถานการณ์อย่างนี้จะเอาชีวิตรอดอยังไงเขาก็จะเอาการณีศึกษาที่เด็กสิบสามคนนี่แหละเขาจะต้องเอามาเผยแพร่แน่นอนและทางเวทันไลน์ญี่ปุ่นทําำละทําเป็นหนังสั้นเลือกเด็กสิบสามคนรอดอย่างไรมีครูด้วยนะเป็นแบบต้ญี่ปุ่นเท่านั้นเลยแสดงไปดูใน youtube ก็นเลยเขาถอดละ ก่อนที่ไทยจะตื่นตัวสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าปัญญาทางนั้นสรุปปัญญาเกิดจากสามเรื่องนะถ้าเราอยากจะมีปัญญาก็คือหนึ่งให้มีสุตตะมยะปัญญาการที่เราทำงานตรงนี้ต้องแสวงหาปัญญาตลอดเวลา หน่เราต้องมีสติก่อนนะอันที่สองวิธีสแสวงหาปัญญาเนี่ยมีสามวิธีข้อแรกคืออ่านให้มากฟังให้มากอย่างที่มานั่งฟังนั่งอ่านนั่งศึกษาเรียนหลักสูตรเนี้ยเราเรียกว่าปัญญาประเภทที่หนึ่งสุตตะมยักปัญญาปัญญาที่เกิดจากการรับข้อมูลข้อมูลมันอาจจะมาเป็นส่วนๆนะ แต่เรามาเอาส่วนๆวนมาต่อเป็นภาพรว ม, มเรียกว่าเอาจิ๊กซอว์มาต่อไอตัวสุตตมัญญายาเรียกมาจาก secondary source เราไม่ได้เห็นเองเราฟังคนอื่นเราอ่านของเขาเนี่ยแล้วเรามาสรุปเป็นภาพรวมเหมือนกับรีพอร์ต ท, ที่ตำรวจเขาไปสืบสวนสอบสวนมาเนี่ยเรามาอ่านมาศึกษาเป็นภาพรวมสรุปเขียนเป็นสำนวนของเราเนี่ยมันมาจากสุตตมัปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการรับข้อมูลศึกษาประเด็นอยู่คือต้องฟังให้รอบด้านอ่านให้รอบด้านอย่าอากติเราก็จะได้ปัญญานี้อย่าไปอัติแม้กระทั่งแหลงเขา เ, ออเรื่อง น, องนี้เรื่องนี้เด็กพูดเรื่องนี้คนแก่พูดอะไรไม่ไนดะ้อย่าไปมองข้ามทำไมเรื่องของเชอร์ล็อกโฮมส์มันจึงมีสเสน่ห์เพราะเขาไม่ได้มองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆ นั่นคือสเสน่ห์ของเชอร์ล็อกโฮมส์ในขณะิ้นสกอตแอนดย่าที่คู่แข่งเนี่ย น, นะมองข้ามนั่นแหละคือวิธีหาปัญญาของเชอร์ล็อกโฮมส์ข้อที่สองปัญญาไม่ได้เกิดจากการรับข้อมูลอย่างเดียวปัญญาเกิดจากการคิดก็ได้เหมือนกับนักวิทยาศาสตร์เขา อ, อาจจะไม่สามารถที่จะส่องกล้องเห็นดวงดาว การที่ค้นพบดาวนพเคราะห์ดวงสุดท้ายนี่มันอยู่เกินที่กล้องส่องทานไกลแต่เขาใช้ความคิดเขาเล่นจินตามยัญปัญญาเขาดูจากแรงดึงดูดของดาวที่อยู่แถวนั้นว่าทําไมมันเบี่ยงเบนมันเข้าไปหาตัวแสดงว่ามันมีเทหาวัตถุในท้องฟ้าที่ดึงมันแต่ตอนนั้นเนี่ยมันยังส่องกล้องไม่เห็นเขาคํานวณการโคจรของดาวนพเคราะห์ใกล้ๆแล้วจะแสดงว่าจะต้องมีอะไรสิงดูดออกไปนอก เขาจึงสรุปว่ามีดาวอีกดวงหนึ่งแล้วก็ตอนหลังก็มาส่องเจอนี่เป็นจินต่างไม่ยชปัญาปญาคนที่ได้รางวัลโดเบลสาขาสาขาเศรษฐศาสตร์คนหนึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์ชื่อจอห์นเนชจอห์นเนชเนี่ยทำวิญิพนิพญาเอกยี่สิบเจ็ดหน้าเท่านั้นไม่ยอมเข้าห้องเรียนนะ ตอนตอนเรียนปริญญาเอกเนี่ยเขาเขียนวิธีผลอย่างเดียวครูมาตามให้เข้าห้องเรียนแกไม่อยอมเข้าห้องเรียนให้เหตุผลว่าถ้าไปฟังอาจารย์มากมันจะไปลอกความคิดอาจารย์มผมต้องการความคิดที่เป็นออริจินอลต้นแบบลว้ล ว, ลวนเลยไม่ไม่ไปฟังใครเลยเขาจะคิดในห้องเขาเนี่ยเขาจะมีสูตรคอนดิสศซศาสเต็ไมไปหมดในขณะที่เขาเรียนปริญญาเอกอยู่และก็ เขียนวิน่ไพน้นออกมาเนี่ยี่สิบเจ็ดหน้าได้เป็นด็อกเตอร์แล้วก็ได้เป็นอาจารย์สอนแต่การเท็กที่แกคิดมากประสาทหลอนแยกไม่ออกระหว่างคนจริงๆกับคนปลอมในจินตนาการชีวิตของเขาเนี่ยเป็นแต่งเป็นหนังสือเรื่อง Beautiful Mind ได้อ่านหนังสือเร่อนี้ด้วยแล้วตอนหลังเขาก็สร้างเป็นภาพยนตร์เรื่องจริง แล้วเขาก็ได้รับรับเมื่อผ่านไปเขาการที่เขาเพี้ยนเนี่ยเพี้ยนตั้งแต่อยู่หอภักเนี่ยคุยกับคนในจินตนาการแต่ไรมากใช้จินตามายาปัญญาเขียนวิญิพนออกมาวิญิพนของเขาต่อมาเนี่ยมันเป็นวิญิพนด้านคณิตศาสตร์แต่ต่อมาวงการคณิตในวงการศิลปศาสตร์เอาไปใช้ประยุกต์ ทำให้เกิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์รรใหม่แล้วก็ทฤษฎีสันติภาพในยุคสงครามเย็ น, นก็คือโซเวียตกับสหรัฐเขามีเขามีอาวุธปรมาู ด, ด้วยกันเนี่ยเอาทฤษฎีของเขาเนี่ยไปใช้รักษาสันติภาพโลกและเอาไปใช้ในการเจรจาทางเศรษฐศาสตร์ทางธุรกิจเขาเรียกปัจจุบันเรารู้จักในนามว่าวินวินซิซิวเอชเนี่ย ต่างฝ่ายต่างชนะต่าง่ายต่างได้โซเวียตสหรัฐไม่ลบกันอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาเรียกวินวินและสัาิภาพมันก็จบไอ้ก็อยู่มาจนกระทั่งโซเวียตล่มสลายก็จสบสงครามเย็นไปเขาก็ถือว่าทฤษฎีนี้เป็นคุอรูปรการรวมไปถึงเศรษศาสตร์ด้วยเขาจึงให้รางวัลโนเบลสาขาเศษศาสตร์แกจอร์เนช แต่น่าเสียดายนะเมื่อสองสามปีเนี่ยเขาไปพอได้รางวัลโนเบลเขาก็ชนนะชนไปทั่วโลกเลยตเขาถามว่าหายบ้า ย, ย, างยังอยากไอ้คอร u ล i ซเนชั่นเ น, истории, อ น, อนี่ยภาพหลอนยังมีแต่เวลาคุยคนต้องถามกับคุณคนจริงหรือคนปลอมไอ้คนปลอมก็ยังนั่ง อ, อยู่แถวนั้นแกแยกออกมันยังประสาทหลอนอยู่แต่คุยรู้เรื่องแต่น่าเสียดายว่า ทั้งเสามปีเนะี่ยทั้งสามีภรรยานะได้รับเชิญไปที่ยุโรปลับมานั่งแท็กซี่นะนั่งแท็กซี่กลับบ้านแท็กซี่เกิดโดยชนตายทั้งคู่เลยเนี่ยอันนี้เราแต่เขาก็เป็นตำนานในเรื่องของกินตาไมยะปัญญาในแบบแบบของเขาเนะนั่นก็เป็นตัวอย่างอนึงส่วนภาวนาไมยะปัญญาเนี่ย คือภาคปฏิบัติทดลองเราทํางานไปเราได้ประสบการณ์ได้ความรู้จากลองผิดลองถูกเนี่ยเขาเรียกภาวนามยปัญญาสูตตามมยปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการศึกษาที่ท่านเรียนกฎหมายมาเรียนอะไรมาเนี่ยเป็นทฤษฎีเนี่ยนะแล้วออกมาสร้างเป็นภาครวมเนี่ยเราเรียกสูตรต่างมยปัญญาส่วนปัญญาที่เกิดจากทฤษฎีล้วนๆเนี่ยเขาเรียกจินตามเมยปัญญา ปัญญาอีกแบบหนึ่งก็คือภาคประสบการณ์ชีวิตที่ไปทำงานจริงสะสมประสบการณ์ไว้ที่ปรีดีพนมยงบอกว่ามีเมื่อมีความเมื่อมีอำนาจก็ขาดประสบการณ์ประสบการณ์ที่ว่านั้นคือภาวนาไยปัญญาและภาวนามยะปัญญานี่แหละที่จะทำให้เราประสบความสเร็จมากน้อยอย่างไรก็หมายความว่าในขณะที่ท่านทำงานเนี่ย บางคนได้ปัญญาบางคนไม่ได้ภาวนามย์ปัญญานี่คือประเด็นเราทํางานเหมือนกันแต่ว่าคนหนึ่งฉลาดขึ้นทุกวันทุกวันแต่ขณะที่คนหนึ่งก็ยังเท่าเดิมทํางานมาสิบปีก็รู้แค่นั้นแหะเพราะอะไรเพราะไม่มีภาวนามย์ปัญญาภาวนามย์ปัญญาเกิดจากการสรุปบทเรียนจากเรื่องที่มันเกิดขึ้น แต่ละครั้งสอนตัวเองครั้งนี้เราประสบความสําเร็จเพราะอะไรก็ถอดรหัสออกมามาบอกตัวเองว่าทําต่อไปครั้งนี้เราล้มเหลวเราพ่ายแพ้เพราะอะไรเราก็เอามาถอดบทเรียนสอนตัวเองว่าคราวหลังอย่าทําเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปเราก็จะทําถูกขึ้นดีขึ้น เขาเรียกภาวนาไมยะปัญญาเป็นมหาวิทยาลัยในชีวิตจริงที่มีการเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาถ้าเราไม่ทําอย่างนี้ความรู้มันก็เท่าที่เราเรียนจบได้ปริญญาโทมาแค่นั้นแหละแต่ถ้าเราถอดสรุปอยู่เรื่อยๆสอนตอนเองยื่อเรื่อยๆเนี่ยมันจะเพิ่มปัญญาประเภท น, นี้ เพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าคนฉลาดเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเองแล้วไม่ทำมันแต่คนฉลาดกว่าไม่ต้องรอให้ตัวเองผิดพลาดแล้วแค่ก็แก้ไขคนฉลาดกว่าเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นแล้วเตือนตัวเองว่าอย่าไปทาคนฉลาดกว่าเรียนรู้จากความสาเร็จของคนอื่นแล้วก็เอามาลองดู ฉะนั้นในชีวิตจริงของเราเนี่ยมันจึงเรียนรู้ตลอดชีวิตและคนมันจึงฉลาดไม่เท่ากันเพราะตรงนี้ทำไมบางคนจึงสำเร็จบางคนจึงล้มเหลวและล้มเหลวซ้ํา้ำซักๆาไม่จะเป็นจะต้องในเรื่องของการงานนะในชีวิตคู่ในเรื่องอะไรก็ตามเราตั้งคาถามในบททำไมเขาไปไม่รอดและทำไมเราจะต้องไปทาซ้าเขา บทเรียนในชีวิตมันจะมีความหมายต่อเมื่อเรานำมาถอดแก่นถอดสาระมาสรุปมาสอนตนเองนั่นแหละก็จะทำทำไมเนี่ยนะยูเนสโกจึงเอาบทเรียนของทีวรี่เด็กหญิงทีวรี่สมิตมาสอนเด็กทั่วโลกเขาไม่ต้องการให้เด็กผิดพลาดเกิดปัญหาก่อนแล้วค่อยมาแก้ไข เรียนรู้จากปัญหาของเด็กติดถ้ำในเมืองไทยเพื่อสอนเด็กญี่ปุ่นเขาก็รีดทำเป็นภาพยนตร์เลยเจอสึนามิที่ไหนเขาก็ถอดรหัสมากรณีศึกษามันก็คือกรณีเรื่องที่มันเกิดขึ้นแต่สอนธรรมะให้เราได้ในชีวิตจริงฉะนั้นเราอย่าไปหลงตัวเองว่ารู้แล้วรู้แล้วแล้วไม่ แล้วไม่ถอดรหรัสไม่คิดไม่สอนตนเองมิะนั้นจะตายเป็นชาล้นถ้วยเหมือนชาถ้วยเนี้ยเราเห็นเนมันเต็มนั้นมันมีมันน้ำมันเจิ่เขาเรียกชาล้นถ้วยชาล้นถ้วยเป็นยังไงาศาสตราจารย์คนหนึ่งไปเยี่ยมอาจารย์เสนที่วัด พระก็จะสอนธรรมะให้ศาสต ร, ราจารย์ศาสต ร, ราจารย์ก็คุยแต่เรื่อง ก, การเมืองให้พระฟังเรื่องข่าวสารข้างนอกพระก็เลยไม่ได้พูดธรรมะสักทีหนึ่งพอหลายครั้งเท่าไปเยี่ยมหลายครั้งศาสต ร, ราจารย์เอาแต่พูดไม่ฟังอาจารย์เซนท่านก็เอาถ้วยชามาต้อนรับแล้วก็เอาป้านน้ำชาลินชาใส่เข้าไปพอเต็มถ้วยชาเล็ก น้ำมันก็ล้นเจิงออกมาแล้วท่านก็ทําเป็นไม่ได้ดูอาจารย์เซนอะพระอาจารย์ทําเป็นคุยมือก็ลินศาสตราอาจารย์ก็บอกอาจารย์ครับหลวงพ่อครับชาล้นถ้วยแล้วครับท่านก็มองมาโอ้จริงเนาะมันล้นเจิงเลยเต็มถ้วยเลยหกมาเลยแล้วท่านก็วางป้านน้ําชาลงแล้วก็พูดว่าสาธาอาจารย์ ชาถ้วยนี้มันแปลกนะพอเต็มแล้วลินไม่เข้าเลยโคบหมดเหมือนสมองคนบางคนมาวัดเต็มเพียบไปด้วยทฤษฎีลินธรรมะใสเท่าไรเท่าไรโคบออกบทเลยไม่ฟังเรื่องใหม่เพราะคิดว่าตัวเองรู้แล้วไม่สรุปบทเรียนจากที่อื่นเพราะคิดว่าตัวเองฉลาดกว่า ซึ่งโซคราติสบอกว่าการจะเป็นคนฉลาดขึ้นทุกวันต้องยอมรับว่าเรายังมีอะไรโง่อยู่บ้างถ้าเราเป็นชาล้นถ้วยเราฉลาดแล้วเราจะไม่ได้เรียนรู้เพิ่มเราจะไม่อ่านเพิ่มไม่ศึกษาเพิ่มไม่สรุปบทเรียนจากชีวิตจริงมีลูกศิษย์โซคราติส ไปถามเทพเจ้าผ่านคนส่งว่าในดินแดนกรีกเนี่ยใครฉลาดที่สุดลูกศิษย์ก็บอกว่าโสคราติสฉลาดที่สุดลูกศิษย์ก็มาเล่าให้โสคราติ ส, สโสคลาติสบอกว่าไม่จริงเทพเจ้ามั่วคือคนกรีกเขาเชื่อว่าคนที่เข้าส่งเนี่ยคือเทพเจ้าพูดจริงๆเทพเจ้ามั่ว เราไม่ได้ฉลาดที่สุดทําไมจึงมาว่าโสกรติสฉลาดที่สุดในแผ่นดินกรีกในเอเธนส์สมัยโู้นมันเป็นนครรัฐนะเอเธนส์สปาร์ตาเมซิโดเนียรวมเป็นประเทศเล็กประเทศน้อยเขาเรียกดินแดงกรีกในดินแดงกรีกไม่มีใครฉลาดเท่าโสกติสโสกติสบอกไม่จริงเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ว่าเราโง่จะตายเพื่อให้เห็นว่าเทพเจ้าพูดมั่วและพิสูจน์ยังไง โสกราตีสบอกเราจะไปโต้วาทีกับคนฉลาดในแผ่นดินถ้าเราโต้แพ้แสดงว่าเราโง่เราก็ไม่ใช่คนฉลาดที่สุดเทพเจ้าก็พูดผิดพยากรณ์ผิดตั้งแต่นั้นมาโสกราตีสก็เลยตั้งหน้าตั้งตาไปท้าโต้วาทีกับคนฉลาดในดินแดนกรีกลูกศิษย์เด็กหนุ่มทั้งหลายก็เฮโลตามไปดูว่าอาจารย์จะแพ้เมื่อไหร่ คนที่ตามไปคนหนึ่งชื่อพรโต้บันทึกการโต้วาทีของโสกราติไว้ทั้งหมดปัจจุบันเนี่ยยังอยู่สองพันปีแล้วเนี่ยเราเรียกว่าไดอะล็อกซ์ขรโต้มีของจริงยี่สิบเก้าเรื่องในนั้นโต้ทุกเรื่องอย่างเรื่องอุดมรัฐเนี่ยรีพับลิกก็หนึ่งในนั้นเป็นบทสนทนาโต้วาทีกัน ชีวิตหลังความตายเรื่องเฟโดก็อยู่ตรงนั้นตายแล้วไปไหนมีทุกเรื่องโสคลาติส so โต้ว่ายังไงลูกศิษย์มันขึ้นไ้เดี๋ยวนี้เรายังอ่านได้บทสนทนาของพราโตที่พราโตเขียนพอเสร็จแล้วลูกศรริษ so ย์ถามโสคลาติสตกลงอาจารย์ใครฉลาดที่สุดเห็นโตชนะเขาไปทั่ว โซเฟียตินบอกว่าเราฉลาดกว่าคนอื่นนิดหน่อยตรงไหนล่ะคือคนอื่นโง่ไม่รู้ว่าตัวเองโง่มันก็เลยโง่อย่างนั้นแต่เราโงา่รู้ว่าเราโงา่เราก็เลยฉลาดกว่าคนอื่นตรงนี้เขาจึงพูดว่าหนึ่งเดียวที่ข้าพเจ้ารู้มากกว่าคนอื่นก็คือรู้ว่าข้าพเจ้าไม่รู้อะไรแล้วก็ไปศึกษาเพิ่มเติมไปฟังเพิ่มเติมไปคิดเพิ่มเติม มันก็ฉลาดขึ้นเรื่อยๆซึ่งประโยคนี้เนี่ยพูดไว้ 2,000 กว่าปีแล้วอยู่คนละมุมโลกพระพุทธเจ้าอยู่ทางอินเดียก็พูดไว้คล้ายๆกันเป็นภาษาบาลีไว้อย่างนี้เหมือนต่อกันเลยปัญญามันระดับสูงทำพูดนะโยพาโลมัญตีภาริยันแล้วพอเดาวได้พาโลแปลว่าคนโง่คนผ่านคนโง่มัญตีคือรู้ว่าตัวเองโง่ อะไรอย่างยังเป็นบัณฑิตคือคนฉลาดได้บ้างเพราะที่รู้ว่าโง่นั่นแหละส่วนคนโง่ที่สําคัญตนว่าเป็นบัณฑิตคือคนฉลาดโง่แท้ๆคนโง่ที่รู้ตัวเองว่าโง่อย่างโสกตีนเนี่ยยังมีโอกาสเป็นคนฉลาดได้บ้าง ส่วนคนโง่ที่สงคัญตนว่าฉลาดแล้วโง่แท้ๆซึ่งแปลว่าอย่างนี้นยะคนโง่ที่รู้ตัวเองว่าโง่ยังเป็นคนฉลาดได้บ้างส่วนคนโง่ที่สำคัญตนว่าฉลาดโง่แท้ๆเราที่ทำงานใหม่เข้าไปเนี่ยต้องตระหนักตรงนี้สมเด็จมหาเวรวงสรุป เป็นบทกลอนไว้ว่าโง่งไม่เป็นเป็นใหญ่ยากฝากให้คิดทางชีวิตจะรุ่งโรจน์โสดทิพนต้องรู้โง่รู้ฉลาดปราดเปลือกตนโง่สิบผลดีกว่าเบ่งเก่งเดี๋ยวเดีย ว, ยวทําไมโง่ไม่เป็นเป็นใหญ่ยากทําไม เราจะต้องรู้ว่าเมื่อไรคนโง่คนนิ่งเมื่อไรจะต้องแสดงความฉลาดไม่ใช่ทาโง่ตลอดมันจะแนบเนียนเกินฉลาดบ้างก็ได้แต่เมื่อไรควรจะรู้ว่าเจ้าโง่เมื่อไรควรจะรู้ว่าฉลาดมันไม่ใช่เปลี่ยนสีนะแต่มันเป็นศิลปะแห่งการดำรงชีวิตเพื่อประสบความสำเร็จมันจะต้องมีเขาเรียกว่าการแสวงหาความรู้ ถ้าเราฉลาดตลอดเวลาเราจะรู้เพิ่มได้อย่างไรถ้าเราจะหาข้อมูลเพิ่มเราไปบอกว่าเรารู้แล้วใครจะให้ข้อมูลเราเราไม่รู้ก็ต้องถามอันนี้ต้องหยองง่อาจจะเรียนรู้จากคนที่ด้อยกว่าเราอะไรก็ ไ, ได้และนั่นแหละทําให้เราได้ปัญญาตลอดเวลาคุณธรรมที่สําคัญก็คือปัญญารู้รอบรู้ลึก เราต้องตั้งสติในยามที่สแสวงหาข้อมูลทําจิตให้ว่างอยู่กับปัจจุบันมองให้เห็นฟังให้ได้ยินแล้วข้อมูลมันจะมาเรียงตัวกันเป็นระบบเราเรียกว่าปัญญาการที่เรารับข้อมูลมาเรียงกันเป็นลําดับเราเรียกว่าสุตตกรปัญญาปัญญาที่เกิดจากการรับข้อมูลมาจัดระบบการที่เราคิดของเราอย่างเป็นระบบต่อเนื่องเป็นจินตกรรม ญ, ญาณ หรือเราเห็นอะไรดูขา่าวอะไรก็ตามเอามาสอนตัวเองอยู่เสมอหรือเรื่องเราเองเรียนรู้จากความผิดพลาดของตอนเองเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นเอามาสอนตอนเขาเรียกภาวนาเมย์ปัญญาเนี่ยเราก็จะมีปัญญาเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเมื่อมีปัญญารู้ทางความเป็นจริงเราจะไม่ตัดสินด้วยอคติคือความลำเอียงเพราะด่วนสรุปเพราะนั่นพอดีเราจึงจะสามารถพดุนความยุติธรรมไว้ได้โดยไม่ตกเป็นเครื่องมือ ของฝ่ายใดของใครหรือโดนลอกผู้ที่ทำตัดสินด้วยความเที่ยงธรรมสม่าเสมอเราจึงเรียกว่าผู้เที่ยงธรรมอย่างที่รญาตได้ตรัสไว้และนั่นก็คือชีวิตในเป้าหมายแห่งงานในหน้าที่ของนักกฎหมายทั้งหมดก็คือธรรมะของนักกฎหมายที่ฝากท่านทั้งหลายไว้ในโอกาสนี้ก็ขอทำ ห, อหนุยพ่อนอ้างคุณประสีรัตนไตรและคุณความดีทั้งหลายที่ท่านเป็นมา จงมารวมกันเป็นตะบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอํานวยอวยพรให้ประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานต่อไปโดยปราศจากทุกส่งโรคภัยอุปรภคภัรายั้งปวงประสงค์จํานงหมายสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบเรื่อธรรมก็ขอให้ผลสําเร็จสมมโนรสปุ้งมา่านปราถนาทุกประการตลอดกาลละนานเถืน